ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธวัชชาวเรื่องไทยจะเรื่องอำนาจเพราะเป็นชาติกสิกรรมโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่14พฤษภาคม2543ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกเนื่องในงานกอบกอบุญทางสังคมเพื่อฟ้าดินครั้งที่เจ็าขอเชิญท่านจิตตาระฟังได้ณนะ บัดนี้การอธิษฐานไม่ได้หมายความว่าขอศาสนาพุทธเราไม่ใช่ศาสนาที่มีพระเจ้าหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บัน d o นบรนดาลเพราะฉะนั้นเราไม่ขอเราต้องพึ่งตนเองศาสนาพุทธนั้นอัตหิอัตโนนาโถ ตนของตนเป็นที่พึ่งตนเองทุกคนควรจะอธิษฐานเพราะฉะนั้นอธิษฐานแปลว่าการตั้งจิตหรือเป็นการตั้งใจเราตั้งใจก็คือเราต้องพยายามมีความมุ่งหมายมีความกำหนดลงไปให้ตนเองให้รู้ว่าเราจะทาอะไรจะแก้ไขอะไร จะปรับปรุงอะไรจะเจตนามีจุดมุ่งจุดหมายเป้าหมายของการดำเนินการปฏิบัติหรือการดำเนินกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราในอนาคตในข้างหน้าวินาทีข้างหน้าต่อไปนั้นเราจะทำอะไรดีเราจะแก้ไขอะไรดีเราจะปรับปรุงอะไรดีเราจะเป็นผู้ที่ รู้ไม่ใช่จิตไม่ใช่คนเราจะปล่อยตัวไปตามยถากรรมเจออะไรก็ทําไปเจออะไรก็เป็นไปอย่างนั้นเป็นคนไม่มีสติไม่มีจุดเดินไม่มีทางที่แน่นอนไม่เป็นคนที่รู้จักจุดหมายที่เจริญที่ประเสริฐและดําเนินไปทุกวินาทีทุกก้าวย่างเราจะต้องดําเนินไป ด้วยความรู้ด้วยสติและปัญญาเพื่อจะเดินไปสู่จุดจเจริญจุดที่พัฒนาจุดที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและสังคมทั้งโลกยังไม่เรียบร้อยดีก็ไม่เป็นไรพอได้ขนาดนี้ก็ดีนักหนาแล้วเนาะ ดูกเสียงฝน <c oughs> อ่าฮัลโหลเดอร์สุภ้สุคนอ่าวันนี้เราก็มาทําวัดกันเป็นครั้งแรกของงานพอฟโดครั้งที่เจ็ดนะ งานเพื่อฟ้าดินครั้งที่เจ็ดฟ้าก็กำลังอวยพรดินก็เด็กํำลังได้รับความชุ่มช่ำนคนก็ต้องพยายามสดชื่นขึ้นมาบ้างอย่าเอาแต่หดหูหอ่อเหี่ยวและกระลิบ ป, ปรีลงไปลงไปน ะ, นะตื่นขึ้นมาสดชื่นเบิกบานแข็งแรงเราฝึกเอาได้นะคนเราเนี่ย ถ้าฝึกให้มันติดนิสัยอยู่ด้วยทีนมิทะนะทีนามิทะหมายความว่าอะไรทีนามิทะก็แปลว่าเป็นความหดหู่เป็นความหดหู่เป็นความซึมซึมรู้จักลักษณะซึมไหมเป็นคนซึมเศร้าหดหู่ซึมเศร้าหรือตกผลึกลงไปสู่ความซึมลึก ลึกตื้อในเรียกว่าลักษณะธีนมิทะทั้งนั้นน่ะเป็นลักษณะถ้าว่ากันจริงๆเนี่โดยพยัญช น, นะนมันแปลว่าเป็นก้อนธีนมิทาเนี่ยมันตกเป็นก้อนแข็งเป็นตัวไม่ไม่มีกรรมกิริยาอะไรไม่มีลักษณะที่จะมันเป็นตัวกระด้างเป็นตัวกระด้างเป็นตัวแข็งเป็นตัวตกผลึกเข้าไปนอนก้นนอนเนื่อง กลายเป็นของที่จะกลายเป็นของเสียเป็นฟอสซิลกลายเป็นฟอสซิลกลายเป็นอะไรอะฟอสซิลนะซากเป็นซากตายซากตายแข็งล้านปีอย่างหินตายแข็งล้านปีนี่โอ้โหเป็นซากผลึกตกแข็งจับตัวกันล้านปีอย่างที่ฟอสซิลเขา เจอเป็นหินแข็งกันเป็นอะไร อ, อะไรต่างๆนานาทุกวันนี้คนคว้าเจอกระดูกไดโนเสาร์เป็นฟอสซิลเงี้ยล้านล้านหลายล้านปีกระดูกช้างโจ้เขาเจอเหมือนกันก็เจอช้างช้างเป็นล้านปีมีอะไรเงีย้ยเขาเจออะไร อ, อะไรต่างๆนานาเป็นฟอสซิลเป็นของที่มันตกพลึกจับตัวกันแข็งเป็นซากเก่านั่นแหะทีนมิทะทํำกันไปเถอะ ฝึกก็ไม่บ่อยๆจะเป็นอย่างงนะั้นน่ะเพราะเราจะต้องฝึกจิตเนี่ยเป็นพลังงานนะจิตที่เป็นพลังงานสําคัญของมนุษย์เป็นพลังงานสําคัญที่สุดเลยเป็นประธานสิ่งทั้งปวงในมนุษย์เนี่ยเราจะจัดการให้มันมีบทบาทให้มันมีพลังให้มันมีตัวขับเคลื่อนไปสู่อะไรอะ่ะถ้าเราไปตั้งจิตไว้ผิดเราชอบ ซึมซเศ้าเเศาหมองหมอก ม, ม, มองดีๆหลับหหยุดหยุดเงาเงาอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนื้อหัดอย่างเงี้ยฝึกอย่างเงี้ยติดสั่งสมนิสัยสั่งสมอารมณ์สั่งสมความเป็นผลึกด้วยเป็นก้อนลักษณะอย่างเงี้ยไว้ที่ในตัวเองเราก็จะเป็นเก่งเก่งเข้าไปเรื่อยๆมีเข้าไปเรื่อยใครอยากจะเป็นฟอสซิลใครอยากจะเป็นอย่างนี้ก็เอาที กป็นคนเสื่องซึ่งนักเข้าไม่ต้องพนันอะไระจะไปไหนมาไหนก็ไม่ไปแปลละจะขยับขยื่นอะไรนีก็ช้าเอื่อยอืต้องงัดต้องเข็นต้องดันอะไรต่างๆมันจะไปกันใหญ่เลยนมันจะกลายเป็นลักษณะอย่างนั้นจิตวิญญาณเป็นประธานจริงๆเป็นประธานสิ่งทั้งปวงและจิตวิญญาณเนี่ยจะทําให้อ่ ทำให้เจริญหรือทำให้เสือ่อมทำให้คล่องแคล่วว่องไวหรือจะทำให้อืดอาดเชื่องช้าเฉยเนื่อยเงาหงอยเศร้าใส่มันก็เป็นทั้งนั้นแหละอาตมาได้รับการทักท้วงเสมอว่าโอ้เบิกบานสดชื่นอยู่เรื่อยเลยนะบอกเอาเรื่องอะไรอาตมาจะโง่ ไปอึศเศร้าใ ส, ส้เหงาหงอยอยู่เรื่อยเรื่องอะไรล่ะโง่าตายเลยนะอาตมาว่าอาตมาไม่โง่เพะพระพุทธเจ้าสอนมาอาตมาก็เคยเอามาบอกนะพระเจ้ า, าสอนไว้งนั้นพุทธทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรื่องอะไรเราจะไปเป็นผู้อ่าเป็นผู้ไม่รู้เป็นผู้โง่นะพุทธทาแปลว่ารู้เราก็เอาตรงข้ามเสเป็นผู้โง่เป็นผู้ไม่รู้เป็นผู้ตื่นไม่ตื่นนะหลับมันตะพื้ หมกมัตะพืชหลับตะพืชหลีตะพืชเป็นผู้เบิกบานไม่เบิกบานนะเป็นผู้เศร้าเหงาซึมเสื่องเชิญใครจ ะ, จะเป็นพุทธะจะเป็นพุทธะแบบนั้นอาตมาไม่เอาเป็นลูกพระพุทธเจ้าอาตมาเอาประเภทรู้ตื่นเบิกบานสดชื่นแข็งแรงปราดเปรียวกระปี้กับเปานะ แม้แต่เราจะหลับจะนอนเราก็กำหนดหลับกำหนดนอนกำหนดพักเมื่อหลับเมื่อนอนเมื่อพักพักแล้วก็พักไปเวลาพักคือพักนะเวลาพักคือพกรู้จักการกำหนดรู้จิตใจเราฝึกพักคือพักหลับหลับหลับก็คือหลับไปเลยหลับก็คือหยุดพักผ่อนกายทวารด้วย จิตเราก็ให้สงบที่สุดเท่าที่จะสงบได้จะมีสติเท่าไรก็เชิญทาสติกับการพักมันไมไ่เป็นอันเดียวกันหรอกสติโอการพักมันคนละเรื่องกันเพรา ะ, ะนั้นสติเราจะตื่นก็ทาฝึกสติคืออะไรความระลึกรู้อยู่เราจะพักก็พักพักให้นึกลึกนะเวลาฝึกเนี่ยพักให้ลึกลึกเข้าไปแต่สติก็รู้อยู่แต่ก็ลึก้าไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเออเราหลับด้วยการ มีสติหลับด้วยการรู้รู้รู้ตับหลับด้วยการไม่ใช่ว่าหลับด้วยการหลีไม่ใช่หลับด้วยการรีหลีหลงไปไม่ใช่หลับด้วยการเหงาหงอยหรือว่ายิ่งอาการเกิดรถคนที่ติดรถรถหลับรถนอนเนี่ยมันมีอาการรถหลับรถนอนมันจะเป็นลักษณะยังไงอ่ะลักษณะอื นึกๆเอาเองอะนะใครๆที่ว่ามันรู้สึกว่าีลีๆมันมันมันชอบอาการอย่างนั้นอันนั้นเราเป็นกินเลทแท้ๆเลยตัดออกเราย้ายไม่มีอารมณ์อย่างนั้นเอาอารมณ์รู้สึกสดชื่นมีสตินะมีสติสดชื่นแม้จะหลับแล้วก็เราก็พยายามดิ่งลึกลงไปว่าพักดิ่งลึกลงไปพักพักพักหลับหลับขึ้นหลับหลับมันคือตัดทวารรับรู้จะไปอยู่แต่กับใจเท่านั้นเองมันก็จะตัดเข้ามันเอง หลับไปโดยโดยสดชื่นโดยสติใสใ ส, สนี่แหละหลับลงไปไม่ใช่หลับดึกอากอยอยารก้อนเงิงเงิอะไรเงิ่งง่วงเยังไงอ่ะไปทําเอาเองนะอาตมาอธิบายไม่ถูกนะหัดอย่าไปติตดเป็นรถอร่อยไอ้ซึมๆอย่างงั้นนะนั่นแหะคือตัวถีนมิถะที่แท้แล้วมันหลอกเราให้อร่อยแบบนั้นสุดท้ายเราจะไม่มีอร่อยจะพักก็คือพักจะตื่นก็คือตื่นมีตื่นกับพักหลับก็คือหลับตื่นก็คือตื่น ตัวกิเลสตัวกลางที่มันมีรู้ต่อระหว่างกลางน้อยๆเงาเ ง, ง่วงนซึมๆอะไรมันจะหายไปมันจะหมดไปได้ฝึกอ้าวฝึกให้มันหายได้นะฝึกแล้วคนเราจะเป็นคนตื่นคนเบิกบานสดชื่นแข็งแรงน่ะจะเป็นคนที่น่าคบหน่าต้อนรับเห็นหน้าเห็นตาคนเบิกบานสดชื่นนั่นเป็นเออดีนะ ถ้าเห็นหน้าเห็นตาแล้วเหงาบูเต๊มันไม่ดีนะรู้สึกว่าโลกนี่มันจะไม่เคยเขาทานนะ เ, เห็นหน้าตากันแล้วก็บึ ng บึ ng เหงาเงาจะเอาแต่หลับหลับลีลีนี่เอ๊ะมันจังไงอะโลกนี้ของไม่เสเบยนี่ก็รู้ๆกันอยู่อาตมาได้อธิบายให้ความรู้ในเรื่องจิตนิดหน่อยก่อนทีนี้เรามาเข้าเรื่องวันนี้เราจะเทศเรื่องไทยจะเรืองอำนาจเพราะ เป็นชาติเกษตรกรรมไทยจะเรืองอํานาจเพราะเป็นชาติเกษตรกรรมอันนี้นี่ขอให้ย้ําเลยนะย้ําสําหรับชาวโอโศกหรือย้ําสําหรับใครจะสํานึกความเป็นไทยไทยอยู่ในโซนอุ่นโซนที่จะปลูกจะเป็นเกษตรกรได้อย่างแข็งขั น, นจะเป็นเกษตรกรได้อย่างดีมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่า เราจะเอาความได้เปรียบตรงนี้เราได้เปรียบที่เราอยู่โซนนี้มีความอบอุ่นมีแสงมีน้ามีลมมีอากาศเอาอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเหมาะกับการเพราะปลูกอย่างมากเหมาะมากเลยเพราะงั้นเราจะเอาอันนี้เป็นประโยชน์ห ร, นรืเป็นกําไรเป็นกําไรที่ธรรมชาติประทานเป็นกําไรที่เราอยู่ในโซนนี้แล้วได้แล้วมันกําไรโดยที่เร า, ามันไม่ได้ไปเอาเปรียบใครหรอก มันเป็นธรรมชาติไม่มีใครไปแก้ไขเราได้มาโดยทำได้มาโดยธรรมชาตินะเพราะงั้นเราจะต้องเข้าใจเลยว่าชีวิตของคนเราเนี่ยอยู่ในบรรยากาศอย่างไรเราจะทําอะไรให้มันง่ายอันนี้มันง่ายแล้วอะไรมันเอื้อแล้วมันช่วยแล้วเราก็ทํามันนี้นทำมันนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วมันดีไหมระกสิกรรมเนี่ยทำแล้วมันก็ะทัากับชีวิตเรามีอาหาร ชีวิตเรามีเครื่องนุ่งหม่มชีวิตเรามียารักษาโรคชีวิตเรามีของเครื่องสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างที่พักเพราะไม้นี่ต้นไม้นี่มันช่วยเราพวกนี้ได้หมดปัจจัยสี่เนี่ยกับกสิกกรรมเนี่ยได้หมดเลยได้หมดเลยแม้แต่เครื่องบริหารอุปโภคบริโภคเครื่องอุปโภคเครื่องใช้ไม้สอยอันเกิดจากอุปกรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือต้นไม้รากไม้นี่ก็ได้อีกด้วย ใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องอุปโภคมาผลิตมาทำเครื่องอุปโภคให้แก่ชีวิตก็ได้อีกด้วยนะเพราะงั้นถ้าเราฉลาดคนเราเนี่ยถ้าฉลาดเราก็จะรู้จักเลือกเอาสิ่งที่ดีที่เราได้ได้ฟรีได้ก่อนอื่นเลยเพราะงนั้นถ้าเผื่อว่าเราฉลาด เราก็ต้องรู้จักเลยว่าเราควรทําอย่างไรให้มันเอื้อเรามันให้เราแล้วเราอย่าไปเข้าใจผิดแล้วลึกๆในี่สัจธรรมเราต้องพิจารณาเข้าไปให้จริงๆเลยลึกๆเข้าไปว่าเออเราทําอย่างนี้ถูกต้องไหมถ้าเราอยู่เมืองหนาวปลูกมันไม่ค่อยจะดีเท่าเขาก็สร้างอุตสาหกรรมของเขาไปพยายามที่จะเร่งรัดพัฒนาเรื่องอุตสาหกรรม เ, เขาก็ถูก เขาอยู่เมืองหนาวแ้ว อ, อยู่เอสกิโมอะไรอย่างนี้เป็นต้โนโอ้อยู่ที่ขัวโรกเหนือเขาก็ไม่มีพื้นที่ให้ทำไรทานาทำพืชทำผักอะไรได้เขาก็ต้องหาวิธีที่จะทำเพื่อที่จะเกิดการพัฒนาอะไรขึ้นมาก็ดีแต่ของเรานี่มันได้แลลวแล้วได้สิ่งที่ได้นั้นก็เป็นเนื้อหาสาระแก่นสารของชีวิตด้วยเราได้อาหารเนี่ยสำคัญ อาตมาเทศและเมื่อวานนี้ว่าปัจจัยสี่นี่แม้แต่ปัจจัยสี่มีอาหารเครื่องหนุงหฮมบ้านช่องเรือนชานและยารักษาโรคถ้าเราไม่ป่วยเราก็ไม่ต้องใช้ยาบ้านช่องเรือนชานแม้จะไม่ค่อยมีเราก็อยู่กระเพิงอยู่กับใต้ร่มไม้อะไรก็ได้เป็นคนสัตว์มันยังไม่เห็นจะต้องสร้างบ้านเลยหรือจะสร้างบ้านเพราะอยู่เล็กๆน้อยๆอะไรก็สร้างได้ไม่ยากไม่เย็นอะไรนะ แม้แต่สัตว์มันยังรู้จักทํารังรู้จักทําที่พักอะไรต่อะไรต่าง ๆ, ๆทําได้นีเป็นต้ น, นไม่ต้องสร้างก็ได้เครื่องนุ่งห่มเอาเข้าจริงๆไม่ต้องนุ่งต้องห่มเลยก็ได้ปเปลือยกายอยู่ก็ได้ก็สัตว์มัเห็นไม่เห็นนุ่งเลยแต่มันต้องกินอาหารสัตว์มันก็กินอาหาร เพราะนงคนเราเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนสัตว์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งด้วยอาหารนั้นสําคัญที่สุดเหมือนกับสัตว์โลกทุกชนิดอาหารสําคัญที่สุดเป็นหนึ่งในโลกเพราะฉะนั้นการทํากสิกรรมเนี่ยทําแล้วเรามีอาหารต่อให้คุณมีเพชรมีทองคํามีอะไรที่ราคาแพงๆโอยซื้อสะสมไว้เต็มบ้านเต็มเรือนอะไรก็ตามใจเถอะมีเงินเป็น กระสอบกระสอบมีธนบัตรเป็นกระสอบกระสอบเลยเสร็จแล้วคุณไม่มีข้าวไม่มีผักพืชไม่มีพืช พ, พันธัญญาหารคุณมีแต่สิ่งเหล่านั้นคุณอยู่ได้ไั้มเคี่ยวเลยเพชรราคาแพงกันมากินนิดนึงก็คงจะร่างกายดำเนินไปได้แล้วเอาทองคำม า, ามาเคี่ยวเลยแทะเลยเรามีเยอะนี่หรือไม่ธนบัตรใบละพันเดี๋ยวนี้มีธ น, น, นบัตรใบ้ออกใหม่ของในหลวง ไอ้นี่ใบเท่าไหร่นะฮะไม่ไอไม่ใช่ห า, บาิบาทมีใบแล้วแพงๆอะ่ะใบละฮะใบละห0 0 0อะหสฮะใบละห0 0 0สนอ๋อนี่ยตกข่าวใบละห้า0 0 0ขายหนึ่งล้านอ๋อเห็นหใบละ 5,000 0นนี่ ต่อยคุณมีธรนบัตดไปละห้า 0,000 นเลยเอามาแช่น้ําจดน้ํากินเออเกิดกับการรักษาร่างกายได้แล้วได้ไหมเรีอกไปเคี่ยวเลยน่ามันเอาเนื้อเนื้อมันเลยนะเอาต้นรบัดใบละห้าแสนมาเคี่ยวเลยมันไม่ได้หรอกนี่พูดเหมือนกับคนโง่พูดกันนะนะอ่าเราพูดเมือนคนโง่พูดกันนะ ที่ยังไม่ใช่โง่หรอกฉลาดตัางหากเรามีปฏิพานไหมพิเภกรู้ว่าอะไรมันเป็นสาระแก่นสารแท้ธนบัตดหรือทองคําหรือเพชพรพลอยหรือหรืออะไรที่รู้ราราคาแพงมันเป็นสาระแก่นสารของชีวิตข้าวนี่แหละนะข้าวนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญเป็นเรื่องเป็นสัจจะเป็นเรื่องที่จะต้องสําคัญมีเรื่องหนึ่ง ที่จะต้องกำชับกำชาและปรุกระดมกันให้รู้ความสำคัญของชาวชาวมนุษย์เรียกว่าชาวมนุษย์เลยใครเป็นมนุษย์คือผู้มีจิตสูงมีทั้งปัญญาและมีทั้งพลังเนี่ยจะต้องรักึกรู้ตรงนี้เลยเรายิ่งเป็นชาวมังสวิรัตด้วยถึงแม้ไม่ใช่ชาวมังสวิรัตก็เถอะจะต้องรู้เลยว่าสิ่งที่สำคัญที่มนุษย์เราที่ควรจะได้มาสังเคราะห์ในร่างกายคือธาตุที่จะสมบูรณ์ในร่างกาย ข้าวเนี่ยสำคัญแน่ข้าวถ UA, าั่วง g a เนี่ชาวมังสวิรัต์จะรู้ดีข้าวถั่วงา a สำคัญมากแต่ไม่ค่อยปลูกไม่ค่อยปลูกไม่เห็นความสำคัญบูชาเลยได้ไหมเนี่เราบูชาฟ้าดินกัน แ, ล, แล้วเราบูชาเนี่บูชาสิ่งสำคัญข้าวถั่วงาเนี่ย บูชาเห็นเป็นของมีค่าเห็นเป็นสิ่งที่น่าเคารพเลยยกย่องเชิดชูแล้วก็สร้างลงมือทำให้เกิดในบ้านเราจะต้องมีข้าวมีต้นข้าวมีต้นถั่วมีต้นงาอยู่ในบ้านหรือข้างบ้านจะมีที่เล็กที่น้อยไม่มีที่เลยเอากระถางมาปลูกต้นข้าวไว้ให้มันเกิดให้เห็นถ้าเราเห็นหน้าต้นข้าวเห็นหน้าต้นถั่วเห็นหน้าต้นงาเราเพื่อมีพระบูชา เราเท่ากับเราเท่ากับมีพระเจ้าเราเท่ากับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตชีวิตจะแข็งแรงชีวิตจะพร้อมไปด้วยสิ่งนี้ข้าวทั่วงาจะเป็นสิ่งสำคัญจะเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตและไม่ทำเล่นใครทำจริงได้ด้วยอย่าว่าจะปลูกไว้บูชาเฉยๆปลูกใส่กระถางบูชาเอาจริงๆเลย ปลูกให้เป็นมักเป็นผลให้เป็นออกมาเป็นรวงเป็นลูกเป็นมเมล็ดถั่วมเมล็ดงาปลูกขึ้นมาแล้วถั่วเป็นพืชบำรุงดินเป็นพืชบำรุงดินถ้าปลูกณนะที่ใดปลูกแล้วก็ให้มันเน่ามันทิ้งอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ดินก็จะดีเราก็เท่ากับเป็นผู้ที่กตันญูกะตะเวทีต่อดิน เราปลูกถัว่วร้อยไปหมดทั่วที่ไหนของเราจะให้ดินนี่ได้รับปุ๋ยได้รับอาหารบํารุงที่ดีพืชตระกูลถั่วทั้งหลายหรือถั่วโดยตรงนี่แหละถั่วเรากินถัวถ่วเลืองถั่วเขียวอะไรก็แล้วแต่ถั่วปลูกขึ้นไปให้ไหลให้เรื่อยเสร็จแล้วแม่เราไม่เอาเอาละเรารวยเราไม่ต้องไปเก็บมากินนะแต่เราก็ปลูกเถอะปลูกให้เป็นนิสัยปลูกให้เป็นเป็นอะไรเป็นแฟชั่นเป็น วัฒนธรรมเพราะฉะนั้นชาวอโศกเราดิจะต้องเริ่มต้นจำใบนาะกลับไปบ้านไปปลูกต้นข้าวต้นถัว่วต้นงาไว้ที่บ้านมีปลูกได้กี่ต้นก็ปลูกมีที่พอปลูกได้ปลูกมันไม่ได้ทําให้ดินเสียไม่ได้ทําให้รกไม่ได้ทําให้เกิดเสียประโยชน์อะไรในดินน้ําลมไฟในโลกเลยปลูกเข้าไปเราจะได้เป็นผู้ที่กตัญญูกะตะเวทีต่อแผ่นดินพื้นดินหรือ พวกเราทำไมไม่ปลูกถั่วปลูกงากินเองทำไมต้องไปซื้ออเมริกาให้มันมี GMO มาแล้วก็มารับมารองโง่ไหมแล้วจะโง่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่ตื่นหรือยังตื่นหรือยังตื่นแล้วเอาไปทำนะไอ้คาว่าตื่นนี่ต้องมีความหมายมีสติสัพชัญญะปัญญาแล้วก็ลงมือทํา เพราะเราจะต้องมาครั้งนี้ครั้งที่เจ็ดจำไว้ว่าสิ่งสําคัญที่เรามางานนี้ต่อไปทุกคนจะต้องมีต้นข้าวต้นถั่วต้นงาไว้ที่บ้านปลูกไว้เลยให้คนเขาถามปลูกไว้ทําไมนี่เป็นต้นไม้ประดับปลูกเป็นต้นไม้ไว้ประดับบ้านให้ประดับตกแต่งบ้านมีต้นถั่วต้นข้าวต้นถั่วต้นงาพอมันตายไปแล้วโทรมแล้วเราก็ปลูกขึ้นใหม่หรือเราจะปลูกขึ้นตามไม่เลยปลูกต้นข้าวไว้ปลูกต้นถั่วต้นงาไว้ปลูกไว้เสร็จแล้ว แล้วก็ปลูกรุ่นหลังต่อมารุ่นนี้ตายหายไปรุ่นตัวนี้โตขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยไปปลูกรุ่นที่มันตายไปปลูกใหม่เสริมใหม่ต่อขึ้นมาให้มันมีประดับบ้านประดับเรือนอยู่เลยอัตมาว่าทาแฟชั่นนี้ขึ้นมาให้ให้เป็นแฟชั่นใหม่ของประเทศของโลกของสังคมเลยเป็นแฟชัน่นใช้ต้นข้าวต้นถัว่วต้นงาเป็นไม้ประดับ เอาให้ราคาแพงเลยต้นบำรุงให้ต้นสวยต้นดีไม่ใช่เป็นเป็นทำเป็นบำรุงเป็นแบบไม่ประดับเหมือนกับต้นต้นใยเซียนต้นอะไรมันมาบีดกันให้มันมาปรับปรุงพันธุ์มาทำแอบปรับปรุงให้มันงามเราอาจจะได้พันธุข้าวพันธุถั่วพันุ์งาที่เกิดโอ้โหนาพัฒนาบำรุงพันหรือว่ามาแปลมาแปลงพันธุ์มาทําอะไรไปอาจจะโอ้โหได้พันธุ์ดีได้ข้าวพันุ์ดีได้ถั่วพันธุ์ดีได้งาพันธุ์ดีขึ้นมา ก็ได้แต่ละคนไปทำคนละคนคนมีความรู้อะไรก็ทำมาสิบีดพันหรือว่าปลูกเนี่ยปลูกพวกนี้เหมือนกับเราเล่นต้นไม้ไม้ไ ม, ไมดอกไม้อะไรมีเขาทำกัน เ, นเรา้องทำกันดูสิอาตมาวัตีิพูเนี่ยอย่าเล่นนะเอาจริงๆเลยดีไหมอ่าเราทำเพื่อให้มันเป็นอะไรอันหนึ่งที่โลกเขานิยมกัน เขานิยมต้นไม้ต้นอะไรไม่เห็นมีท่าไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยแต่เราก็ทํามันนี้ให้มันดูเป็นท่ามีประโยชน์ขึ้นมาใช่ไหมเราทําจึงมานจะมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายมีปัญญาเข้าไปประกอบในการสร้างการทำมันนี้ดีไหมอา้าวดีแล้วทีนี้ใครจะปลูกต้นข้าวต้นถั่วต้นงานให้อัตมาไปประดับที่ห้องที่ทํางานที่อะไรเชิญอัตมารับอัตมาคงไม่ไปถึงยุ่งยากไปปลูกเองนะแต่พวกเราช่วยปลูกให้ด้วยแล้วเอาไปประดับประดาเอาไปโชว์ไปไห ใครมาถามใครมาเห็นก็บอกโอ้โหต้นนี้ต้นนี้ทําไมเอามาต้นข้าวเอามาตั้งไว้นี่ทำแอต้นทัวต้นงามไรายเวทเลยใครมาแตะปับ๊บกดสวิตช์รายเวทเลยมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีก็ชักชวนให้ทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศเนี่ยปลูกต้นข้าวตน้นทั่วต้นงามกัเนเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นเป็นแฟชั่นและจริงๆเราก็ปลูกที่บ้านที่เมืองที่ไหนๆที่สวน <c oughs> สวนเรา ทำไมเราต้องไปซื้อถั่วซื้องาคนอื่นไปซื้อแล้วเราก็กลัว GMO ทำไมเราก็กลัว GMO เราไปกลัวทำไมเราทำของเราเองเลยจะได้ปลอด GMO จะได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรจะได้เป็นของดิบของดีเป็นของปลอดของพิเศษทำเอาสิแล้วทำมาขึ้นมาขายถ้าปลูกข้าวปลูกถั่วปลูกงาดีดีแล้วในพวกเราเนี่ยจะเป็นตลาด อย่างน้อยพวกเราก็สามารถที่จะทำการตลาดให้ได้มีก็เอามาขายในพวกเราพวกเราก็ช่วยกันขายช่วยกันจำหน่ายช่วยกันแจกจ่ายอาตมาว่าได้ปลูกแล้วไม่มีที่ไปขายปลูกแล้วไม่มีที่ไปตอนนี้ยังได้อยู่มันยังไม่อั้นอะไรหรอกอาตมาเชื่อว่าทาได้ถ้าเผื่อว่ามันมากจริงๆอาจจะตั้งบริษัทจำหน่ายเอ็กซ์พอร์ตส่ทงทัวออกต่างประเทศ ส่งงาออกต่างประเทศพวกเรามีความสามารถอาตมาเชื่อมั่นเลยว่าเราทําได้ซองข้าวมันเหลือเฟือทั่วเหลือเฟืองาเหลือเฟือเราก็จะส่งออกต่างประเทศให้มันมากเถอะอาตมาว่าพวกชาวโซเราเนี่ยจะทําต่อไปจะตั้งบริษัทบริษัทอะไรก็จะทําเป็นบริษัทเอ็กซ์พอร์ต ส่งออกนอกขายประเทศนอกเลยขายของดีด้วยเพราะว่าของเราไม่มี GMO เขาต้องการทั่วทั่วโลกในต่างประเทศเขาก็รู้กันไว้ตัวกันแล้วแล้วขายราคาแบบบุญนิยมอีกตัางหากใครมันไ ม, ม่มาซื้อรามารู้ไปเลยตลาดโลกเขาขายถั่วกิโลสมมุตินะนตามาไม่รู้ราคามันหรอกถั่วเหลืองเขาขายกันออกส่งออกนอกกิโลละหบาทเราขายมันบาทเดียวอย่างนี้เป็นต้น มันมีมาก ๆ, ๆนะให้มันมากเถอะให้มันล้นมาเถอะแล้วก็เอาเงินเข้ามาในประเทศบางขายของเอาเงินเข้ามาประเทศทรัพยากรพวกนี้ขายออกไปให้เขาไปกินไปใช้กันเพราะว่าเราอิ่มแล้วเราเต็มเราเหลือเฟือเรามีมากพอเสร็จแล้วมากเราก็เอาออกขายเพื่อแผ่คนอื่นบ้าง <นะ S 1> ดีไม่ดีแจกชาวเอธิโอเปียนะแจกป ร, ประเทศไหนที่เขาอดอยากช่วยเหลือเฟือไฟเขาายต่างๆนานาก็เป็นของดิบของดีทั้งนั้นนะใช่ไหม อย่างนี้เป็นต้นนะเอาละอัตมาคิดว่าปลุกระดมอันนี้ไม่ใช่ขอไม่ใช่ปลูกกระดมแค่เท่านั้นนะขอให้สืบต่อขอให้ทุกคนเอาไปพูดเอาไปประกาศเอาไปอธิบายเอาไปชักชวนกันให้คนทุกคนตื่นและรู้ความสําคัญในอันนี้ข้าวตอนนี้เนี่ยอีกหน่อยต่อไปเราจะต้องกินข้าวจากประเทศยวนประเทศเวียดนามเพราะว่าเขาขยันต่างกันมากเลยคนไทยกับยวนน่ คนที่ไปดูประเทศยวนมาเดี๋ยวนี้แล้วยิ่งยวนเขาเจอสองครามมาตั้งมากเขาจะเหมือนกับญี่ปุ่นพอเสร็จสงครามเนี่ยคนจะตายมันมีความจำเป็นต้องถูกบังคับเขาก็ตื่นตัวเขาก็สร้างบ้านสร้างเรือนทำอะไรอะไรขึ้นมาแม้จะเป็นกสิกรรมอุตสาหกรรมก็ทําจนกระทั่งญี่ปุ่นทุกวันนี้เนี่ยก้าวหน้าลืมตาอ้าปากขึ้นมาจนกระทั่งเป็นประเทศร่ํารวยละ ตอนต่อมาทีนี้เวียดนามหรือยวนหรือแก้วเนี่ยเขาก็กำลังเร่งรัดพัฒนาต่อไปจีนจีนพวกนี้ขยันทั้งนั้นอ่ะมันแปลกตรงที่ว่านี่ทำไมไทยเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกันกับยวนเนี่ยทาไมมาเอาเหมือนกับลาวไปเหมือนกับเขมรเหมือนกับพม่าขี้เกียจกันอไม่ขยันไม่กระปี้กระเปล่าความขยันต่างกันมากเลย คนเขาตื่นแต่เช้าตีสี่ตห้าไปดูต้นหมากรากไม้ปลูกพืช ด, ดูพันธุ์ดูอะไรอะไรกันแล้วแล้วก็ทําไม่งามส่งว่าเป็นสินค้าออกแล้วเราก็ทําอันนี้เป็นสินค้าออกเขาทําอุตสาหกรรมมาเราก็ทำเกษตรกรรมไปมันมากก็เป็นสินค้าส่งออกได้เผื่อแผ่กันทั่วโลกได้ทํากันไปได้ ถึงแม้จะเราไม่ทําพวกทุนนิยมเขาก็ทําส่งออกขายเพราะมันมเป็นของจําเป็นยังไงก็จําเป็นเพราะต่างประเทศทางด้านตะวันตกทางด้านยุโรปทางด้านอื่นที่เขาพื้นที่ไม่เหมือนกับเราในเรากระสิกำรรดีกว่านี้มันได้แน่ๆเลยถ้ามันมากจริงๆเราก็สู้ด้วยราคาถูกๆอย่าไปคิดราคาว่าโอ้โหเราขายได้แค่บาทสองบาทมันจริงอะ่ะบาทสองบาทถ้ามันมากมากจริงๆเลยมันก็ขายได้มากเหมือนกันทำมัน ให้มันเยอะๆสิได้เยอะๆแล้วมันเป็นของสำคัญ uh huh. อันนี้อาตมาว่าเรามาเร่งรัดพัฒนาเร่งระดมอันนี้จริงๆให้ได้นะ uh huh. ถ้าทำได้จริงๆนี่ยไทยจะเรืองอำนาจแน่นอนไทยจะเรืองอำนาจเราไม่ต้องไปเป็นเจ้าอำนาจเพราะว่าเรามีวัตถุนิวเคลียร์มีลูกระเบิดไปขู่เขามีอาวุธร้ายแรง ใครอยามารวนใครอยามาแตะใครอยามาสแสดงอํานาจบาตใหญ่ไม่ได้นะฉันมีไอ้ิเหล่านี้เป็นอํานาจบาตใหญ่เราไม่ต้องไปเรื่องอํานาจโดยวิธีอย่างนั้นหรอกไม่ต้องจริงๆเลยเลิกได้เลยเลิกคิดเลิ ก, ล ก, ลกสร้างอาตมาอยากจะพิสูจน์อันหนึ่งในประเทศเราไม่มีอาวุธเลยปืนสกกระบอกก็ไม่มีเนี่ยดูสิว่าประเทศนี้จะตั้งอยู่ได้ไหมแต่ เราไม่มีปืนสักกระบอกก็จริงแต่เรามีข้าวมากมีถัว่วมีงามีพืชผลไม้อะไรมากที่จะกระจายออกไปเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมากจริงๆเลยเลี้ยงโลกไว้เลยเป็นหลักเลยให้ได้แม้ประเทศเราเล็กแค่นี้แหละได้สร้างเลี้ยงโลกไปค่นโลกครึ่งโลกเลยอะไรอ่งี้เป็นต้นเราทาไม่ได้อย่างนั้นจริงๆเลยทาขึ้นมา อาตมาอยากจะดูนะักอย่างอาตมาได้ทํามานี่นะในหมู่บ้านเราเนี่ยชุมชนเราเนี่ยไม่มีรัว้วเปิดไม่มีรั้วเนี่ยหมู่บ้านเราเนี่ยไม่มีรัว้วรั้วข้างนอกไม่มีเลยใครจะเดินทะลุมายัางไงยังไงก็ถึงบ้านได้มีอะไรอะไรได้เพราะฉั้นในส่วนในส่วนอะไรพรุ่นี้เราจะพิ้งเข้ามีของมีอะไรอะไรอยู่พิสูจน์มาตั้งยี่สิบสามสปีละคนก็ไม่ระราน แต่ที่อื่นโอโห้กำแพงกั้นสูงอะไรตไรต่างๆนานาเลยนะปีนเข้าได้จนได้งัดแงเข้าไปอ่เข้าไปทั้งย่องเบาทั้งงัดแงเข้าไปเพื่อไปลักไปขโมยเพื่อไปเอาอะไรตไรต่างๆนานาสารพัดโดนงัดโดนจี้โดนอะไรต่างๆมากบ่อยแต่พวกเรานี่ไม่ ไม่ค่อยเจอมีบ้างเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆพวกที่มันขี้ยามันไม่มีจะกินมันก็เข้ามาเอาเล็กเอาน้อยไปเอ น, นี่นี้นี่นี่หน่อยมันเป็นธรรมชาติมันมีบ้างเออเรพวกนี้นะแต่ที่จะมีมาอย่างที่เขาทาการเนี่ยจริงๆเลยไม่เจอจะว่าไม่เจอซะเลยก็ไปมีมีบ้างแต่น้อยถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยจริงๆเลยแล้วก็ทําทั่วทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นปฐมสุโขสันติอโศอยู่กลางเมืองกลางกรุงแท้ๆเราก็ทําอย่างนั้น เป็นอาณาบริเวณเปิดจะเข้าเมื่อไรก็เข้าไปได้มีเครื่องเข า, เขามีของอะไรตะไรอยู่พอหยิบพอจับพอขโมยไปได้ทั้งนั้นนหะแต่ก็ไม่ขโมยเพราะนั่นหนึ่งเรามีจิตวิญญาอย่างนั้นมีมีวัฒนธรรมอย่างนั้นกันเป็นมวลที่เขาเห็นสองเรามีน้ําใจเรามีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่เสียสละไม่เอาเปรียบเกื้อกูลไม่ได้ไปทําให้ใครเจ็บช้าน้ําใจ นะมีแต่ให้แม่เขาจะไปยิ้มแย้มตอบเราอย่างเราอยู่อย่างสัตีอสโคนี้ตั้งแต่อยู่ไปตั้งแต่แรกเราเรามีน้ําน้ําบาดาลนะหรือเรามีไม่บาดาลนะน้ำน้ำบาดาลเรามีบาดาลแล้วก็ปล่อยให้คนมาเอานา้ําำพะเราไปใช้แต่ก่อนนี่น้ําประปายังไม่ถึงเรามีน้ําบาดาลอยู่ที่สตีอสโคนี่คนข้างๆเคียงก็มาขนเอาน้ํา ม, มาเอานา้ําเราปลยใช้อะไรอะไรเราก็เราก็ไม่เคยคิดเงินคิดทอ้องค่าไฟค่าฟืนค่าอะไรเรากไม่เคยคิดเขาไม่เคยค่า มาซื้อมาเก็บอะไรเราก็ให้เขามาเอาไปใช้กันดีไม่ดีบางบ้านใช้สายยางต่อเอาเลยไม่มาขนไม่มาตักต้องว่ากันบอกว่านี่มันเอาเปรียบคนอื่นเขาต่อสายยางไปบ้านตัวเองแต่มันจะ ง, ง่ายไปมาตัดเอาเหอะต้องใช้วิธีนั้นเพื่อไม่ให้เขาสร้างที่ไซสเห็นแก่ได้เห็นได้เปรียบอะไรมากมายเราเอื้อเฟื้อเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะมีไอ้ น, นี่แจกเขาได้บ้างกแจกสัติ์โสกเองยังไม่ร่ำรวยเพราะว่าสัตย์โสกเองไม่ได้มีพื้นที่ มากมายเมื่อย่างกระต่างจังหวัดที่ทํากสิกรรมทํานูนทํานี่ได้มันก็เลยมีน้อยก็แต่ก็มีนะบางทีคนก็เอาผลไม้ที่เหลือๆ เ, เอาไปกรอไกไว้เสดียโศกให้แจกตั้งกกแจกเลยแจก ก, แจกันหน้าทานหน้าเสดียโศกแจกกันคืออะไรมีพอจะเอื้อเฟื้อกันได้เราทําทําโดยไม่ต้องมู่งหมายว่าจะได้ผลตอบแทนอะไรแต่จิตวิญญาณมนุษย์มันมีเขารู้ เพราเราไม่เบียดเบียนเขาไม่ได้เป็นติดนาทาเรนไปเรียรายไปบอกบุญแม้แต่บอกบุญเราก็ไม่บอกบุญชาวบ้านชาวช่องคังไม่ว่าที่ไหนอะที่นี่ก็เหมือนกันที่สันเตียโศกศีสาะโศกปฐมโศอะไรชาวบ้านคางๆไม่ได้เกิดเคยเกิดความรําคาญที่เราจะต้องไปเรียรายเรียรายนั้นเรียรายนี่บอกบุญนั่นบอกบุญนี่จนกระทั่งเขารําคาญจนกระทั่งเขาเกิดจิตวิญญาณนีนรู้สึกสะดุดเอ้พวกนี้มันจะเอา มันมักได้มันเห็นแก่ได้เราไม่เคยมาแสดงความเห็นแก่ได้อันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์จิตวิญญาณลึกๆของมนุษย์นี่เขาจะรู้อื่นๆอีกองประกอบต่างๆนานาอีกสารพัดที่เราทำมันก็จะกลายเป็น ทั้งสภาพที่ไม่เป็นรูปร่างเป็นอารูปนี่แหละเป็นลักษณะที่เราให้เราเกื้อกูลเราไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวสรุปได้ก็คือเราไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวแต่เราเป็นคนเกื้อกูลเสียสละเป็นคนมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกานี่แหละเป็นพระเจ้าจริงๆนี่แหละพลังอันนี้แหละพลังงานที่ไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างที่กําลังอธิบายคร่าวๆให้ฟังเนี่ย สร้างไปเถอะทาไปเถอะทาไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆจะดูซิว่าพลังวิเศษอันเป็นพลังแห่งเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขานีเกิดจริงไหมมีพลังอำนาจที่จะทำให้คนอื่นเขาไม่กล้าที่จะมาทำร้ายเราไหมเราไม่มีอาวุธป้องกันตัวเลยเราจะไม่ฆ่าไม่แกลแกงใครเลยลักษณะท่ า, าทีลีลาแม้จะทำความรุนแรงฆ่าแกงกันลงมือลงไม้กัน เราก็ไม่เอาเพราะงั้นเอาเพราะงั้นวัฒนธรรมของเราเนี่จะไม่มีนี่เราจะต้องชำระกันในพวกเราเนีนเกินมามาตบมาตีกันในนี้ตีเด็กตีผู้ใหญ่อะไรก็ตามแต่ตีด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์ร้ายหรือตีด้วยความลงมือทํารุนแรงนี่ไม่เอาจะต้องมีการสํานึกจะต้องมีกฎมีระเบียบมีแบบแผนจะตีกันอย่างนักเรียนนี่จะโดนตีเนี่ยทำผิดจริง แต่ไปโกรธอุมาว่าตบเปี้ยตบพวตัวะตีทันทีไม่ได้ตีด้วยอารมณ์โกรธไม่ได้ผิดก็ต้องมาเข้าที่ประชุมมีคณะกรรมการพิจารณาว่าอาผิดจริงเด็กรู้ตัวว่าผิดได้รับโทษไม่มีการโกรธเครืองกันตอบอันนี้จะไม่เกิดพยาบาทจะไม่เกิดการโกรธเครืองนี่เป็นระบบที่จะไม่สร้างพยาบาทไม่สร้างโกรธสร้างเครืองสร้างศัตรู เราจะไม่สร้างจะไม่เกิดเวรภัยจะไม่เกิดเวรภัยนี่เป็นวิธีการของสังคมเรานี่พวกเราเนี่ยยังมีคนที่จึติ ด, ตดนิสัยติดอารมณ์เถื่อ น, อนจากข้างนอกมาแล้วมาทําในนี้จะต้องชําระกันแล้วก็จะต้องจั ด, จดการปรับกันปรับปรุงกันจะต้องพัฒนาให้รู้ว่าชาวอาโศกจะไม่ใช่คนเถื่อนอย่างนั้นเป็นอันขาดจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติอันเป็นมนุษย์ชั้นสูง ถ้าทําด้วยอารมณ์อย่างนั้นไม่ได้ไม่อารมณ์ก็ทําด้วยไม่ได้มีกฎมีหลักด้วยอย่าทําระงับหยุดถ้าทำใครทํามีทันมีโทษกันไม่เอาอโกรฎพูดตบพู้ตบพะตัะเตะฆ่าแกงเลยไม่เอาเราไม่สร้างแม้แต่อารมณ์นั้นมีสติสัพชัญญาปัญญาแล้รู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นคนชั้นสูงไม่ทํากันคนชั้นสูงก็ไม่ทํากันหรอจะมีอะไรผิดอะไรพลาดอย่างไรก็พูดกันให้รู้เรื่องมีหลักมีเกณฑ์ มีวินัยทําให้ดีอย่างนี้เป็นต้นนะสร้างจิตวิญญาณให้เป็นคนที่ไม่อเมรหิตโหดร้ายไม่พยาบาทไม่รุนแรงในสังคมเราจะไม่มีความรุนแรงหยาบคายอย่างนี้แม้แต่กรมแม้แต่พยาบาทเราจะฝึกอาการลีลาของกามในลักษณะหยาบคายจะต้องมากอดมาจูบมาแสดงท่ า, าทีลามกอะไรต่างๆนาน า, นานในเชิงราคะอะไรออกมาประเจิดประเจิดไม่เอาเราเป็นมนุษย์มนุษย์โซแปลว่าผู้มีใจสูง เราจะไม่ทํำบริกรรมกิริยาวัฒนธรรมใหม่เราจะต้องสร้างวัฒนธรรมพวกนี้ที่จริงวัฒนธรรมเก่าโบ ร, ราณของไทยเรามีมานานแล้วแต่เดี๋ยวนี้บ้าๆบอๆไปเหมือนตะวันตกสแสดงออกนี่มันธรรมชาติดิไม่ไรธรรมชาติเขาไม่มีหรอกและธรรมชาติของคนมันก็เป็นธรรมชาติที่ดีแล้วเรามาปรุงแต่งกันเองทำโน่นทํานี่ยัวย่วยุตัวเองอะไรอะไรตัวเ อ, เ, เองเข้ามาเข้าไมา้มันก็นเลยยิ่งหยาบกล้า่ยิ่งจัดจ้านยิ่งเละเทะ สารพัดสารเพที่จะนี่คือความไม่รู้นี่คืออวิชชาความไม่รู้แล้วทำให้ชีวิตสังคมมนุษยชาติเหลวแหลกรุนแรงโหดร้ายทารุนจัดจ้านเสร็จแล้วก็ทุกทรมานนี่คือความไม่ฉลาดคือความไม่รู้ความจริงของสัจตธรรมที่ทำให้เกิดสิ่งอย่างนี้ได้เพราะเราจะกลับ กับมหาสัจธรรมกับมหากรรมกริยาที่ดีกับมหาวัฒนธรรมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขึ้นมาในสังคมของพวกเราไม่จะว่าจากอารมณ์ของการอารมณ์ของพยาบาทอารมณ์ของถีนมิทะอารมณ์ของอุทจักกุกุจจกซึ่งมันฟุ้งซ่านอารมณ์เมื่อกี้พูดถีนมิทะตอนต้นตอนตอ น, นี่ขอ ข, อ ข, อขายายความอุทจักกุกจุจักหมายความว่าฟุ้งซ่านจนทําให้เกิดสภาพไม่ปกติ ไม่สบายตั้งแต่รำคาญตนเองก็รำคาญคนอื่นได้รับก็รำคาญด้วยอุทจักกุกุจัเกิดความรำคาญอย่างน้อยรำคาญอย่างมากก็ไม่ใช่รำคาญแล้วคันเลยคันอวัยวะส่วนไหนก็ตามใจมันฟุ้งออกมากๆแล้วมันไม่ใช่คันเท่านั้นมันเออไม่ใช่ไม่รำคาญเท่านั้นมันคันเลยทีนี้มันรำคันเลยทีนี้มันจะรำการคันออกมา มันรําอะไรออกมาแล้วแต่รําการคันออกมาเลยมันจะหนักไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาการที่จะทําให้มันกระจายออกไปแสดงออกอุเทจรมันแสดงออกหวานออกฟุ้งออกไปเกินมันมีแรงแรงพุ่งออกจากเราไปเป็นกรรมกริยาไปทางกายทางวาจาแม้แต่ใจมันเป็นอาการอย่างนั้นก็คืนอนั่นแหละอุทจรกุกุจจ์ักนะจนกระทั่ ง, ทงมา อุตจักขุกุจกๆๆจะรำคาญในใจแล้วว่าหงุดหงิดในใจ ห, ห ม, นในใจมักหมกอยู่ในใจเป็นพลังดันออกมาทางการทางวาจานั่นแหละคือสิ่งที่มันต้องการที่จะพุ่งออกแสดงออกดันแรงออกออกไปแล้วก็ไปทํำลายทําลายหรือไปทําให้ส่วนที่เขาได้รับกระทบจากเรานั้นเกิดความตั้งแต่รําคาญขึ้นไปนั่นก็คือเสียหายแล้ว ตั้งแต่รำคาญขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่แสดงบทบาทลีลากายกรรวิจกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมอะไรที่มันกระจายหรือมันออกไปเป็นรังสีเป็นบทบาทเป็นกริยาของเราออกไปให้คนอื่นเขาได้รับแล้วเกิดความรำคาญนั่นแหละคือรักษาอุทจักกุกจขจิจฟังความหมายให้ดีๆอุทจักุกขิ จ, จนั่นแหละคือรักษาตั้งแต่ใจของเราและก็จกระทั่งเรา ทำให้จิตใจของเราไม่สร้างกายกรรมไม่สร้างวจีกรรมไม่สร้างมโนกรร ม, ม, ร ม, รรมให้มันออกพุ่งออกฟุ้งออกกระจายออกหรือว่าออกไปกระทบกับคนอื่นแล้วจนคนอื่นเขารําคาญไม่ต้องพูดถึงเกินรําคาญอันนั้นยิ่งมหาอุทจักขุกุกจจะแล้วถ้าเกินกว่าราคาญน่ยมหาอุทจักขุกุกจจะกลายเป็นมหาก้าประโยคอุทจักขุกุกจจะ เรียกว่ามหาใหญ่เลยนะตอนนี้อุทจักกุกจะแม่คุณคุณอุทจักกุกจะที่ได้ตําแหน่งมหาก้าประโยคใหญ่เลยออกไปไม่ใช่ลาคาญนะเขาจะลำล ำ, ลำมีดํามวยใส่เลยทีเนี้ยไม่ใช่ลาคาญเท่านั้นอลอนลําคอนลําคอดําเขียวใส่เลยแหละนั่นน่ะมันจะมากเกินไปฟังภาษาที่อาตมาอธิบายเป็นภาษาไทยง่ายๆอธิบายขยายความไม่ฟังนะ นี่คือเรื่องของอุทธจกักรกุขจะนะเราก็ไม่ทำมันมาแต่จิตใจทั้งนั้นแหละใจมันตัวตัวร้ายตัวเลวตัวที่มันเป็นอกุศลแล้วมันก็จะพัฒนาตัวมันหรือปรับปรุงตัวมันสังขารตัวมันไปไปในเรื่องร้ายเรื่องเลวอะไรอะไ ร, ะ ไ, รไปต่างๆเยอะแยะนะอาตมาอาธิบายธรรมะประกอบไปด้วยในชีวิตแล้วก็อธิบายไปจนถึงประมะถึงจิตวิญ ญ, ญาถึงอะไรให้ฟัง ทีนี้ก็เข้ามาหาเรื่องว่าไทยจะเริ่ม อ, อำนาจนะเพราะเป็นชาติกสิกรรมนั้นอาตมาก็อยากจะเน้นอีกว่าเราเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีรู้ตื่นเบิกบานอะไรอยู่จริงเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็จะต้องทำอะไรให้มันดูเป็นลูกพระพุทธเจ้าสมศัก์สมสีบ้างนะอาตมาบอกมาก่อนนะว่าเราจะมาเป็นชาวกสิกรไม่เป็นชาวกสิกรรม มันเป็นชาวลงหลักปักแรงทำเรื่องนี้ให้เป็นอาชีพหลักเลยให้เป็นงานหลักของพวกเราทุกวันนี้อธิบารณดมมาพอสมควรก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยกระตื้องก็มาลงมาเป็นชาวเกษตรกรกันก็ไม่เท่าไหร่มาเพิ่มขึ้นทำไม่เป็นโลเป็นพายทำไม่เป็นนัดผลิตสิ่งเหล่านี้มากขึ้นบอกแล้วว่ายิ่งเราผลิตของดีราคาถูก แล้วก็มีน้ำใจซื่อสัตว์มีน้ำใจนีนะ่เป็นเป็นการตลาดของชาวบุญนิยมหลักการตลาดของชาวบุญนิยมคือหนึ่งของดีสองราคาถูกสซื่อสัตว์สีมีน้ำใจ 5. เครดิตเหนือเครดิตหมายความว่าขายสดงดเชื่อเบือ่อทวงปวดท้องไม่มีการทวง พ่อทวงแล้วปวดทองไม่เขา้ า, าท่านายสดมันจะเป็นเศรษฐศาสตร์อย่างชั้นสูงอัตมาเคยอธิบายพวกเราฟังแล้วอัตมาไม่ขยายความวันนี้นะเราจะเป็นคนที่เข้าใจจริงๆเลยมีปัญญาทราบซึ่งจริงๆเลยว่าโอ้คนเรามาเป็นกระสิกรเนี่เป็นคนที่วิเศษเป็นคนมีบุญเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนมีประโยชน์สร้างสิ่งที่สาคัญสร้างสิ่งที่จาเป็น เขาบอกว่ามันเฟอ้อเฟอๆๆเพราะมันไปหมุนในเรื่องเงินนักเศรษฐศาสตร์ทุกวันนี้เนี่ยเป็นหมุนใ้เรื่องเงินแล้วเอาเงินเนี่ยมาเป็นตัวหลักกําหนดความหมายว่าเศรษฐกิ จ, จเจริญหรือไม่จเจริญอยู่ที่การสะพัดเงินเขาไปเพ่งกันที่นู่นมากเลยนักเศรษฐศาสตร์ทุกวันนี้มองอัตราการแลกเปลี่ยนมองอัตราการเคลื่อนไหวมองสภาพคล่องมองสภาพของการมีเงินเป็นค่าของ ความเจริญของประเทศชาติความมีกินมีอยู่อะไรก็แล้วแต่เขาไปเอาอันนั้นเป็นตัวเครื่องวัดอาตมาขอถามจริงๆหน่อยสิทุกวันนี้นี่เราต้องซื้อพืชพันธัญญาหารจากต่างประเทศไหมซื้อไหมซื้อถ้าเราเป็นประเทศที่ไม่ต้องซื้อพืชพันธัญญาหารทางเกษตรกรรมเนี่ย ถ้าเราไม่ต้องซื้อเลยเนีย่เราจะซื้อแต่สิ่งอุตสาหกรรมที่เราผลิตเองไม่ได้มันจะดีกว่าไหมเห็นไหมแค่นี้มันก็เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วว่ามันไม่มีเฟอแต่ที่เขาไปบอกว่าเฟอร์นนักเศรษฐศาสตร์ขี้หมาอะไรกันก็ไม่รู้ไปทคิดว่าชีวิตมนุษย์นี่จะต้องมีอนุมีนี้จริงแล้วไม่ต้องมีหรือแม่มีเราก็เอาอันนี้เป็นสินค้าส่งออก ให้มันมากๆสิแล้วตั้งราคาเขาไปต่ำตํำๆเลยถ้ามันมากสมมุติข้าวเนี่ยเราผิดข้าวจนเาตั้งล้นประเทศเลยนะล้นประเทศเลยเสร็จแล้วเราก็กินเหลือเฟือจริงๆเลยแล้วก็ส่งข้าวนี่ขายไปออกต่างประเทศตีตลาดเลยตลาดโลกมันราคาแพงเราก็ขายมันต่ากว่าราคาตลาดก็ไปมากๆมากๆของหนึ่งของเราดีสองราคาถูก3าสื่อสัตว์ปีน้ำใจไม่มีที่จะไปคดไปโกงอะไร ขายหรือไม่ก็แจกไปเลยแม้ไม่ขายแจกเนี่ยเชื่อไหมว่าเราจะได้อะไรอีกยิ่งกว่าเงินอีกแจกต่างประเทศนี่แหละแจกต่างประเทศนี่ทำเลยว่าโอ้โหประเทศนี้มันทําอะไรไม่เป็นมันทําแต่ข้าวข้าวมันออกแจกคนทั่วโลกแล้วมันเฟิร์มันเกินเลยนะลองดูสิว่าประเทศนี้จะเป็นยังไงแจกอะไรไม่แจกแจกข้าวด้วยข้าวนี่ของต้องกินทั่วโลกเลยมนุษย์ไหนก็กิกนข้าว จริงๆเอาไปให้เอสกิโมมันกินเลยข้าวจริงเอาไปกินเป็นข้าวนี่เป็นอาหารของมนุษย์แน่ๆสัตว์โลกมนุษย์เนี่ยกินข้าวเอาไปให้ใครก็เอาเอาไปให้ใครก็กินให้มันรู้กันไปเลยเนี่ยธรรมาวิเคราะห์หฟังชัดๆพรา ะ, จะเจ้าได้เศรษศาสตร์ น, รนักคิดเศษศาสตร์ทุกเมื่อจะต้องมีเฉลี่ยอนุนในนี้อันนี้จริงเฉลี่ยได้แต่ถ้าคิดลึกๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเฉลีย่ยละ เน้นสิ่งที่เป็นเหตุสําคัญเลยเขาบอกว่าไอ้นี่มันมากแล้วมันไปเป็นดีมาแล้วเนี่ยไม่ต้องซัพพลายเรามันพออ น, นุน่ะเราขายแทนอนุนี่คุณเองคุณตั้งกินเละไม่ใช่ตั้งมันเกิดจริงกินเละของคุณเองคุณไปต้องการอย่างนั้นคุณไม่ต้องการอย่างนี้ถ้าประเทศไทยเนี่ยไม่ไปหลงไหลทองคําไม่ไปหลงไหลเพชร เมืองไทยจะมีทองคําสักเท่าไรเขาตั้งราคาทองคํากันว่าเป็นเครื่องที่แหมาหายากและเป็นการตีราคาวัดค่าประเทศชาติเลยจะต้องไปเป็นหลักประกันของธนบัตรในการที่จะปั๊มออกไปแล้วก็จะธนบัตรเราจะได้รับคว า, ามยอมรับเดี๋ยวนี้อเมริกามันก็ไม่เอาแล้วจะต้องมีทองคําเท่านั้นมันถึงจะปัม๊มธนบัตรออกมาเท่านั้นมันไม่ต้องและไม่มีหลักประกันของทองคําไว้เป็นหลักมันปั๊มกระดาษออกมาแจกจ่ายไปแล้วคุณต้องการดอลลาร์ เขาเอาดอลลาร์ปั๊มออกมาอะไรต่างๆมันก็ไม่ทําแล้วเราเองก็เหมือนกันไทยก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปสําคัญกับทองคําไม่ต้องไปสําคัญกับเพชรพลอยอะไรมากมายนะักเอาพืชพันธุยาหานี่เป็นของสําคัญจริงๆเลยผลิตทำขึ้นมาทําขึ้นมาแม้บ้านเราไม่มีทองคําเลยก็ไม่เห็นจะเป็นไรบ้านเราไม่มีเพชรสักเม็ดเลยก็ไม่เห็นจะเป็นไรอย่างนี้เป็นต้นทําให้มันได้พิสูจน์เรื่องนี้ แก้ไขประเด็นที่เขยึดถือแล้วก็เข้าใจอาตมาว่าเพี้ยนเพียนอยู่เยอะเนี่ย mm hmm. เศรษฐศาสตร์ที่เพี้ยนเพีย น, นี่การหมุนเวียนการเปลี่ยนอะไรอะไรที่จะต้องคล่องแล้วเขาก็ไปนับเอาตัวกลางคนนิยมอันนี้และคนนีนน้เอานิยมใหม่เอาความเข้าใจใหม่เอาปัญญาแบบใหม่สร้างอันนี้สร้างประเทศชาติด้วยกสิกรรมให้เรื่องน่าจ ร, จริงเลยให้มีกสิกรรมทํากันดูถ้าเพราะว่าชาวโศเราสามารถที่จะสร้างพืชพันธุ์ธัญญาหารมาก เราจะเป็นหน่วยช่วยคิดช่วยทําตลาดอย่างน้อยก็จะต้องเอามาขายที่เราเราก็รับผิดชอบไปสัพัดไปถ้าสัพัดในประเทศพอแล้วตั้งเอ็กซ์พอร์ตบริษัทส่งนอกกันอย่างที่ว่านีน่ค่อยค่อยทำกันไปอย่างน้อยไม่ขายนอกไปไกลนักก็ขายมันเมืองลาวก่อนเอ็กซ์พอร์ตเมืองลาวเอ็กซ์พอร์ตเมืองเขมรเอ็กซ์พอร์ตเมืองพมา่าเอ็กซ์พอร์ตข้างเคียงเนี่ยมาเลเซียอะไรพวกนี้โอ้โหมาเลเซียมีเงินเยอะ สิงคโปร์มาเลเซียเอ็กซ์พอร์ตที่นี่ก่อนไปนี่ต่างประเทศบินไปสิงคโปร์มาเลเซียแค่นี้ก่อนนี่จะมีปัญหาอะไรถ้าเราไม่เก่งก็เราพันไปตามลําดับตามลําดับได้ไหมเพราะไทยจะเรืองอํานาจมาเป็นชาติเกษตรกรรมทํากษตรกรรมให้เป็นเนื้อเป็นปึกแผ่นให้เป็นโลเป็นปลาให้มีความรุ่งเรืองให้มันมีผลผลิตให้มีจริงๆเลยมีแล้วก็พยายาม ทายเทมหมุนเวียนกันม า, พออานนเพราะฉะนั้นพวกเราแม้แต่จะเป็นนักการตลาดเป็นนักค้านักขายก็จะต้องเข้าใจเรื่องนี้เราจะต้องเป็นบริษัทค้าขายแรกเปลี่ยนหรือว่าทำอ น, นิกระจายการค้าการขายคือเราจะเอาผลผลิตหรือเอาสิ่งที่มีเนี่ยกระจายแบ่งแจกกันวิธีการแบ่งแจกบอกว่าเป็นวันณะที่สองวันน้แพท ย, นนาาย์วันน้ค้าขายวันน้นักบริการคนผลิตผลิตมาคนบริการก็เอาไปออกบริการในระบบบุนนิยมด้วยเอาไปค้าไปขายการพาณิชย์แบบบุนนิยมด้วย ทำกันดูดีสอดคล้องกันเข้าไปสิประเทศไทยจะไม่เจริญรุ่งเรืองให้มันรู้กันไปนะผู้บริหารก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจสังคมประเทศชาติว่าจะสร้างสังคมประเทศชาติอย่างไรบริหารอย่างบุญนิยมบริหารอย่างไรนักการค้าพาณิชย์ธุรกิจจะทำการค้าพาณิชย์ธุรกิจอย่างบุญนิยมทำอย่างไรเราจะศึกษาระบบบุญนิยมไม่สมบูรณ์แบบเลยและทุกคนก็จะต้องเข้าใจ และทำจริงเป็นระบบบุญนิยมไปทั้งหมดแม้แต่สงระบบนักบวชนักบวชนักบริหารนักบริการนักผลิตสี่วันะเนี่ยรู้จักว่าบุญนิยมเป็นอย่างไรทั้งหมดเลยนักบวชก็เป็นนักบุญนิยมแน่นอนอยู่แล้วเป็นเป็นเนื้อนาบุญจริงๆก็จะต้องเข้าใจความเป็นบุญแล้วก็พยายามสั่งสอนแนะนําอบรมคนให้มาเป็นคนมีบุญให้นิยมบุญ ให้เป็นคนมีบุญให้เป็นคนที่มีระบบของบุญนิยมกันอย่างชัดเจนเข้าใจระบบบุญนิยมมีชีวิตอย่างบุญนิยมอย่างไรมีการศึกษาบุญนิยมมีการกสิกรรมบุญนิยมมีอุตสาหกรรมบุญนิยมมีการเงินแบบบุญนิยมมีศิลปะแบบบุญนิยมมีการบริโภคอย่างบุญนิยมมีอะไรอะไรอย่างบุญนิยมให้มันได้เลยโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นรากฐานของชีวิตนี่เอากสิกรมเป็นรากฐานเป็นทรัพยากรเป็นงาน เป็นอาชีพหลักๆของมนุษยชาติต่อไปบอกแล้วว่ายวนก็กําลังเก่งเอนโนยจะกินพืชผักผลไม้อะไรต่างๆพืชพันธุยาหารของยวนส่งมาเอาจริงเขากําลังบุกเลยนะตอนนี้จีนอีโนยจีนอีกจีนก็ขยันส่งมาพี่ลาวพี่ขเขมรคงยังไม่หรอกน้องน้องลาว น, น้องเขมรคงยังไม่แต่ยวน ยวนกับจีนระวังไว้เพราะถ้าเราไม่ตื่นตัวไม่รู้จักแม้แต่รอบบ้านรอบเมืองเขาไปถึงไหนแล้วเขาเป็นอย่างไรแล้วเราก็มีไอ้หนอยเนไม่รู้เรื่องเลยงมทีนั่งมิดทังมงงมังงาลาซึมเสื่องไม่รู้เรื่องไปถึงกับว่าปฏิบัติทําให้เป็นผู้ประเเริกนั่งสงบจิตป่าเขาทําเป็นยังไงช่างหัวมันไม่รู้เรื่องนี่ยไม่จะพุทธะเลยไม่จะคนตื่นคนอยู่ในภพ ไปไหนไม่รอดแต่เราไม่ได้ดูถูกว่าการนั่งสมาธิไม่ดีนะเราไม่ได้พูดดูถูกการนั่งสมาธิเรารู้จักแบบสมาธิถิ่นเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์แกชีวิตเป็นอุปการะอันยิ่งเราทำได้นะเราก็ใช้เท่าที่ควรเท่าที่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องไปทาก็ได้ถ้าจาเป็นก็ทาด้วยเกื้อกูลอุดหนุนทำให้เราเกิดการเจริญในชีวิตได้นะ เพราะฉะนั้นอาตมาได้เทศมาได้บรรยายอะไรอะไรมานี่ก็ถึงตี5แล้วนะให้อาตมาบรรยายถึงตีห30อาตมาจะไม่ได้สาธยายถึงเรื่องรายละเอียดของการกสิกรรมเพราะว่าอาตมาไม่มีความรู้ในเรื่องของการลงมือทำกสิกรรมโดยโดยหลักวิชาโดยความรู้ความสามารถในการผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารจริง นั่นอาตมาเองอาตมาไม่มีความรู้เพราะั้นก็ขอให้พวกเราได้ตามศึกษาที่เรามาอบรมกันเนี่ยมาสัมมนากันเนี่ยตามอบรมตามศึกษาพวะเราหาผู้ที่ชํานาญผู้ที่รู้ในเรื่องของกสิกรรมเนี่ยมาถ่ายทอดมาบอกแจ้งมาอธิบายสู่กันฟังส่วนนโยบายอาตมาก็บอกนโยบายให้ฟังแล้วนโยบายหลักหัก นโยบายสาคัญของเราจะทำอย่างไรองรวมของนโยบายที่เราควรจะทำหรือเป้าหมายของนโยบายเป็นอย่างไรอาตมาก็อธิบายเรื่องนี้พระชี้ลงไปได้ว่าเราจะต้องมุ่งเข้าไปตกสิกรรมเพราะนั้นในรายละเอียดของกสิกรรมคุณก็เติมหาทางศึกษาฝึกฝนแล้วลงมือทากันจริงๆเองพยายามาพยายามลงไปทำสิ่งเหล่านั้น ถ้ามวลของพวกเราเนี่เป็นจริงอะนะเป็นจริงอย่างที่ว่านี้เป็นผู้ที่มีเลือดกสิกรวิจิตวิญญาณเป็นกสิกรเห็นคุณค่าของกสิกรรมเนี่ยเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์จริงๆเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ใครจะดูถูกดูแคลนว่าชาวไร่ชาวนาชาวสวนเป็นคนสังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเป็นกรรมกร เป็นคนไม่มีศักดิ์มียศไม่มีอำนาจไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีอะไรเด่นโดง่งให้เขาว่าไปเขาว่าอยู่แล้วละ่ะก็คงจะรู้ก็คงจะได้ยินกันมาทั้งนั้นให้เขาว่าไปเถอะเรามาทำปัญญาใหม่อาตมาไม่ได้มาล้างสมองอาตมามาชี้ความจริงให้ฟังทำไมเราเป็นคนที่มีข้าวนี่เราปลูกข้าวของเราก็เลื้อเฟือปลูกผักปลูกพืชปลูกอาหารอะไรของเรามีพร้อม หรือปลูกทั้งพืชพันธุัญญาหารต้นหมากรากไม้ปลูกเสร็จรากไม้เอามาทำยาก็มีเปลือกไม้แก่นไม้ผลไม้มีต้นมีต้นมีตอมีอะไรอะไรเอามาทำนั่นทํานี่ใช้ประกอบหมดเลยปัจจัยสี่พร้อมมีบริขารมีเครื่องอุปโภคที่จะใช้จากพืชพันธธัญญาหารของเราเอามาทําใช้ได้พึ่งตนเองได้รอดมีทุกอย่างแล้วเราก็ฝึกปลือฝีมือเรา มีไม้เอามาทำบ้านทําเรือนเอามาทำช้อนทําชามเอามาทำอณูนิช้มีไม้เนี่ยมเลือเฟือก็ <c oughs> เอามาประกอบเป็นเครื่องอุปโภคใช้เองอะไรต่างๆนาน า, นาอย่างนี้เป็นต้นโดยเราไม่ต้องใช้เงินไปซื้ออะไรของอื่นเลยหรือแม้จะซื้อเราก็ขายบ้างตามระบบบุญนิยมเรามีเยอะเรามีต้นไม้มีผ ล, ลไม้มีพืชผักใบมีอนนียอะไรเราก็ขายบ้างเผื่อแผ่คนอื่นพอได้เงินมาแลกเปลี่ยนเข้ามาเป็นตัวกลาง เพื่อที่จะซื้อสิ่งจําเป็นที่เราไม่ได้ทําเองเลยแต่ก็เป็นความจําเป็นแล้วก็เอาไปซื้อสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะยังขนาดนี้เขาบอกมีเทคโนโลยีเยอะแยะเลยที่จะต้องใช้มันจะทุ่นแรงมันจะช่วยอะไรได้มากในลึกซึ้งเราก็ทําได้เราก็ซื้อได้มีเงินมีทองพอเอาไปซื้อไปหามาอะไรงี้เป็นต้นเราก็ทาสิไม่ประหลาดอะไรแล้วก็ทำนะ แล้ก็หมุนเวียนได้เพราะเรามีผลผลิตในทางการเกษตรกรรมของเรามากพอแล้วก็ขายออกไปแล้วก็ได้เงินเข้ามาหมุนเวียนไว้สำหรับซื้อสิ่งที่แลกเปลี่ยนนี่ก็เป็นวิธีการของโลกอยู่แล้วทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทําอยู่พอประมาณแต่เราเป็นเจ้าแห่งเกษตรกรรมเป็นผู้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่แท้จริงมีมากมีพอเข้ามาในชาวโซนที้ต้องการพืชพันธธัญญาหารอะไรๆปับตั้งแต่อาหารไปจนถึงยารักษาโรคหรือดีไม่ดีมี มีไม้ชนิดนั้นชนิดนี้เพื่อที่จะเอาไปทํายาหรือไม้ชนิดนั้นชนิดนี้เพื่อเอาไปสร้างเฟอร์นิเจอร์สร้างบ้านสร้างนั่นสร้างนี่มีรามีหมดเลยถ้าได้อย่างนั้นแล้วโอ้โหยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมจะเอาไม้ไปทําผ้าก็ได้พืชพันธุนยาหานเอาไปทําผ้าที่จะเอาไปทําผ้าทําเพื่อนุ่งห่มเอาไปจากไม้นี่แหละนะ จะเป็นต้นฝ้ายต้นอะไรอ่ะมีต้นอะไรมาก ม, ามนอกจากต้นฝ้ายอะต้นนุ่นต้นฝ้ายต้นปอต้นอะไรพวกนี้ไปสังเคราะห์ทําได้นะทำได้จริงๆฝ้ายนี่แหละจะทําได้ง่ายถ้าทําผ้าหนุ่ก็เหลือแหลได้จริงๆแล้วมีจริงๆเนี่ยเรามีที่ทางเรามีกําลังงานทําจริง ๆ, ๆได้ทํากันไปเล ย, ยนี่เป็นต้น แล้ที่เรามาพูดที่เรามาอบรมที่เรามาเนี่ยมัเนเขามาเพื่อที่จะให้เกิดภูมิปัญญาอย่างหนึ่งให้เกิดความเอาจริงอีกอย่างหนึงเรียกว่าทั้งปัญญาทั้งเจโตปัญญาก็คือเข้าใจเจโตก็คือมีกําลังของจิตคุณฟังไปแล้วเนี่ยถ้าเผือว่าฟังไปเข้าใจด้ยวยปัญญาแต่ไม่มีกําลังของจิตเลยคุณก็ได้จะรู้เสร็จแล้วไปฝอยต่อแต่ยิ่งๆเดี๋ยคนที่มีผู้เจ้าปัญญานี่นะ เขาใจเข้าใจไปพูดต่อ น, นี้ ด, ดีแต่ตัวเองเป็นไงทําตรงกันข้ามกับไอที่พูดเช่นโอ้ยอบายมุกไม่ดีใครไม่มีอบายมุกดีดีดีดี ด, ดโอ้โหมีเหตุมีผลสอนเขาด้นะปัญามีอบายมุกเลยนะแต่ตัวเองเพอกลับบ้านย้ําฉากอบายมุกสิ่งเสพติดการลเล่นอะไรก็แล้วแต่ย้ําชาเล ย, ยนี่เป็นต้นสอนเขาด้วยปัญญาแต่เจโตไม่มีกำลังตัวเองเสพติดเสพติดสิ่งที่เป็นอบายมุกแล้วตัวเองก็ถอนตัวไม่ออก เช่นหมอสอนเขาว่าสูบุหรี่ไม่ดีสูบุหรี่ไม่ดีหม อ, อสอนเขากล่าวผิโอ้โหรู้ด้วยปัญญารู้หมดหมอคนไหนก็รู้ว่าสูบบุหรี่ไม่ดีแต่ตัวเองติดบุหรี่กินข้าวกล้อง ด, ด, ดีดีดีหมอคนไหนก็รู้ดีก็กินข้าวขาวแต่ตัวเองกินข้าวขาวเนี่ยหมอหมอตัวนีนั่นหละคือมีปัญญาแต่ไม่มีเจโต พราะใจของตัวเองไม่แข็งพอเลิกไม่ได้ล้างไม่ได้เจโตนี่คือจิตปัญญาที่เดินล้างกิเลสออกเมื่อล้างออกจริงเจโตมันก็มีกําลังถ้าล้างไม่ออกจริงๆกิเลสมันก็ครอบงำนีน่คุณจะมีกําลังอะไรจิตคุณก็ air, อ่อนแอแพ้มันกิเลสมันก็เอาไปตามนั้นกินขากล้องไม่ได้กินขาวขาวก็ทนั้นเองรู้แสนรู้แต่มีปัญญาแต่ไม่มีเจโตจะไปรอดอะไรอ่ะ เพราะฉะนั้นต้องได้ทั้งปัญญาต้องได้ทั้งเจโตจะได้เจโตจริงๆก็คือคุณรู้เริ่มรู้เป็นสมาธิิปัญญานี่คือสมาธิฐิเป็นตัวแรกพอเป็นสมาธิฐิแล้วก็ไปสร้างสิองค์ทำของสมาธิฐิที่จะสมบูรณ์จะต้องเกิดหนึ่งปัญญาสองมาดูปัญญาปัญญีสีปัญญาผ ล, ญญาผลแล้วก็ทำวิจัยสะโพดชง สมาธิมัคคังคะองค์ธรรม6ของสมาธิิสมาธิิเกิดแล้วเราก็ไปฝึกฝนฝึกฝนอะไรปาปฏิบัติภาคปฏิบัติอยู่ที่ธรรมวิจัยสมาธิิและมัคคังคะภาคปฏิบัติปฏิบัติมัคคังคะคือองค์ของมัคทั้งองค์องค์8ปฏิบัติองค์8นั่นแหละปฏิบัติไปมีธรรมวิจัยไปมีสติสัโพชงแล้วก็ปฏิบัติธรรมวิใจสัมโพชง แล้วก็มีวิริยะสัมโพชฌงค์ปฏิบัติให้เกิดสัมมาทิฐิเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นทำเอาวิจัยสัมโพชฌงค์สมาธิฏิมักขังคะ3องค์นี่เป็นตัวปฏิบัติปฏิบัติเสร็จแล้วมันก็จะขยายมาเป็นปัญญาปัญญินทรีปัญญาพละมันก็จะเสริมไปปัญญาปัญญินทรียเจริญขึ้นปัญญินทรียเจริญขึ้นบัญญจนถึงปัญญาพละก็คือปัญญาผลเป็นสมาญาณญาทัศนวิเศษรู้แจ้งเห็นจริงครบมัดองค์8และผลสองสัมาญาณและวิมุติ มักแปดผลสองครบถึงนิพพานสัมมาวิมุตติแล้วมันก็ถึงนิพพานกันเท่านั้นแหละนี่คือเรื่องแท้เรื่องจริงๆของมนุษย์ชาติเลยนะเพราะเรามาฟังก็ดีก็มาสร้างปัญญามาสร้างเจโตแล้วก็เอาไปปฏิบัติเพราะงั้นมาฟังในอย่างได้ก็จะได้สัมมาทิฐิเพิ่มขึ้นเป็นฐานแรกคือเข้าใจถูกต้องมีความเห็นถูกต้องตรงแล้ว แล้วคุณก็ไปปฏิบัติสิมีสมาธิถี่แล้วก็ไปสร้างให้เกิดมรรคคังคะธรทำวิจัยสัมโพธชงเป็นตัวสําคัญมากธรทำวิจัยเนี่ยทำวิจัยสัมโพธชง์นี่สําคัญมากมีสติปัฏฐานสี่ก็สําคัญนั่นคือตัวปฏิบัติแล้วถ้าคุณมีธรทรำวิจัยสัมโพธชงทำวิจัยสัมโพธชงต่างกับธรทำวิจัยสามัญอย่างไร ทำวิจัยสามันก็คือวิจัยคนเราก็วิจัยจะวิจัยใจธรรมะจะวิจัยอะไรก็แล้วแต่วิจัยธรรมะวิจัยทุกอย่างธรรมะแล้วทุกอย่างก็วิจัยวิจัยตั้งแต่รูปรูปวัตถุไปจนกระทั่งวิจัยบุคคลวิจัยเหตุการณ์วิจัยสารพัดความรู้ล่ะจนกระทั่งถึงวิจัยจิตปัญญาวิจัยใจตัวเราวิจัยเข้าไปวิจัยให้มันออกว่าวิจัยเรามันเป็นยังไงมันกําลังเอาตัวไหนมาทํางาน มันกำลังมีกิเลสอย่างไรหรือมันกำลังคิดไม่ถูกต้องอยังไงตัวกิเลสมันกำลังมีอำนาจยังไงวิจัยเข้าไปถึงวิจัยจิตใจนี่นแหละเพราะจิตใจเป็นตัวสาคัญวิจัจเข้าไปหาตัวสังกัปปะซึ่งเป็นตัวประธานจิตวิญญาณเป็นประธานสังคัปปะนี่เป็นตัวต้นทางของการปฏิบัติต้นทางของการมีพฤติกรรมเพรา ะ, ะถ้าคิดดีพูดก็ดีทาก็ดีอาชีพก็ดี ถ้าคิดไม่ดีพูดก็ไม่ดีทำทำก็ไม่ดีอาชีพก็ไม่ดีสังกปะจึงเป็นตัวรากเหงาเพราะฉะในมหาจตารีสกสูตรที่ท่านขยายความของสมาธิถิแล้วมีองค์ธรรมหกไว้สังกปะมีองค์ธรรมเทไรวันเจลูกศิษย์พระโพธิลักษณนี่เรียนมาหมดแล้วแต่ลืมไปแล้วอตาตมา ย, ยังไม่ตายเลยนะลืมแล้วแน่นอนตาตมาตายแล้วจะจําได้ไหมเนี่ย ถ้าใต้ได้ก่อนอาตมาตายจะดีไหมแหมพร่ำพูดซ้ํำซากอยู่นั่นเนี่ยจำไม่ค่อยได้ทีองคธรรมเจ็ของสังกัปปะนี่เป็นตัวสําคัญเป็นตัวรากฐานของการปฏิบัติธรรมเลยถ้าใครไม่สามารถรู้ตักกะวิต ก, กะสังกัปปะอปปนาพย ป, ปนาเจตโซพิเดโรปนาวจีสังคาราไม่รู้องค์เจ็ดนี้คนนั้นปฏิบัติธรรมไม่เป็นได้เป็น ไม่รู้ความแตกต่างของตักกะคืออะไรวิตักกะคืออะไรสังกปะคืออะไรไม่รู้ความแตกต่างของอัปปนาพยาปนาเจตโสพิณนโรปนาหรือไม่รู้ความเป็นสังขารวจีสังขารคืออะไรถ้าไม่รู้อันนี้นะมันเป็นนามธรรมทั้งหมดวจีสังขารก็คือนามธรรมอยู่ในใจเรียกวจีสังขารก็จริ ง, งแต่อยู่ในใจสังคปปะนันอยู่ในระบบความคิดดํำรินึกคิดสังกปะไ ว, ว้ใความดํำรินึกคิดอยู่ในสภาพของความดํารินึกคิด ถ้าเราสามารถยังรู้มีญาณทัศนวิเศษมีมุทุพูเตกรร ม, มนีเยมีปฏิพานแวววันะรักรู้ต่อกรรมของเราและก็ปรับตัวกรรมของเรามุทุพูเตกรร ม, มนีเยทีเตอเนชัะเตสสองค์นี้ก็คือสภาพของตกกากะวิตกกะสังกปะแล้วก็อปนาพยาปนาเจตโสพิโนปนาตัวมุทุพูเตกรรมณีเยนี่คือตกกากะวิตกกะสังกปะ ตัวทีเตอเนชัปเตก็คืออัปปนาพยปนาเจตโซพินิโรปรนาทีเตแปลว่าการตั้งมั่นอเนญชาคืออเนชัปเตแปลว่าความไม่หวั่นไหวจิตเป็นเจโตอันแข็งแรงส่วนตัวมุทุภูเตกรรมัมมณีเยนั้นเป็นลักษณะของจิตที่มีสภาพตัวปรับตัวตัวเคลื่อนไหวตัวรู้ก็คือตัวทวันจริยมุทุภูเตกรรมัมมณีเยคือปัญญา อปปนาพยปน า, าไม่ใช่เอปนาทีเตอเ น, นชปะเตคือเจโตคือเจโตมุทุปูเตกามรีคือปัญญาเมื่อเราสร้างปัญญาตักกะวิตกกะสังกปะเนี่ยมันดัมรินึกคิดอัตมาขยายความดัมรินึกคิดตั้งแต่แรกตัวตักกะเลยถึง7ระดับตั้งแต่อรพทาตุอารัมพทาตุนิกรมทาตุปรักกรมทาตุฐามทาตุทิติธาตุอุปกรรมทาตุ เป็นธาตุตั้งเจ็ลักษณะอาการที่เริ่มดํามฤิขึ้นมายังไม่ถึงกรรมมันเริ่มดํามฤิแล้วพอดํามฤิขึ้นมาอีกหนึ่งเดียวเราปลารบความดํามฤิมันเริ่มเกิดและปลารบก็คือซ้ำํำปรารบนี่ค้ของเข้าใจความหมายปรารบมันอีกทีนึงปรารบก็คือซ้ํามัน บ, บ่อยๆปรารบคือย้ํามันอยู่เตือนมันอยู่ปลารบกันขึ้นมาทุกทีปรารบทําให้ย้ําทําให้ซ้ําพอเริ่มดํามิเริ่มเกิดปรารบ ข, ขึ้นมาอีกตัวหนึง่งก็เริ่ม มีตัวซ้อนตัวซ้ําขึ้นมาแล้วนิกรรมธาตุตามมาอารัพธาตุอารัมพาธาตุนิกรรมธาตุเริ่มต้นมีสภาพเสริมนิกรรมธาตุหมายคำว่าไม่ปล่อยไม่ปล่อยคุมต่อสามตัวนี้เริ่มเข้ามาแล้วเป็นตัวแล้วยังไม่มีทิศทางยังไม่เป็นกรรมปรักรรมธาตุแปลว่าตัวแปลกปรก ปรักกรรมธาตุเป็นอาการที่แปลกกว่าตัวนี้เข้ามาเป็นสองแล้วอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งอารัมพธาตุอารัมพธาตุนิกรรมธาตุสามเศร้าในเกิดมาเป็นพลังตัวเกิดเป็นตัวตนของความดํำริปรักรรมาธาตุเป็นตัวอื่นตัวอีกอันนึงเข้ามาผสมร่วมสังเคราะห์สังขารเริ่มมีทิศทางเริ่มมีตัวเป็นเริ่มมีพันุ์มีตัวจะกําเนิดแล้วมีพันธุแล้วมีจุดมุ่งแล้วเริ่มจะเป็นกรรมแล้ว มีเจตนาปังเข้ามาตัวที่ปรกักกรรมาธาตุมีตัวมุ่งหมายมีตัวจะเป็นทิศทางออกไปนั่นแหละเริ่มเป็นกรรมตัวจิตวิ ญ, ญญาณจะเริ่มก่อนับได้ว่าจิตเป็นกรรมเจตนาเป็นกรรมหรือว่าตัวที่มีจุดมุ่งหมายนี่คือมีอาการของจิตดํำริมีขึ้นมาถึงขั้นปรกักกรรมาธาต์เข้ามาร่วมสังเคราะห์เป็นตัวที่สี่โตไปกว่า น, นั้นจะเริ่มต้นมีกําลังเลยทีนี้เป็นถามมาธาต์ถามมาธาต์แปล ว, ว่ากําลังตัวดํารินี้จะมีกําลังละ มีพลังงา น, นตอนนี้จะวิ่งแล้วตอนนี้มีจุดมุ่งแล้วนะมีจุดมุ่งแล้วมีกําลังคเครื่องติดแล้วเครื่องติดพอพระรักรรมธาตุมีเป้าหมายเจตนาแล้วพระกรรมธาตุมุ่งแล้วยิงข้างหน้าเลยาถามมาธาตเุเยียบเคลื่อนเลยมีกําลังทีท่ติดธาตุก็เอาแน่ว้ยตั้งมั่นทิติดธาตุตั้งมันงม่นมีกําลังแข็งแรงตั้งมัน่นแล้วไปเลยเอาแล้วตอนนี้วูบปุ อุปกรรมธาตุก็คือตัวดํารินี้เป็นกว่าความพยายามตามที่ตัวเองมีแล้วพร้อมพลั่งดําเนินบทบาททันทีอุปกรรมธาตุท่าตัวนี้แหละเป็นตักกะละเอียดไปถึงขนาดนั้นอาตมาอธิบายฟังมาเป็นวิตักกะก็คือมันมีพลังทั้งเจ็ดทาทั้งเจ็ดนี่แหละรวมตัวกันจนทั้งเป็นวิตตักกะเป็นตัวเป็นที่มีแรงพยายามมีแรงกําลังเป็นตัวดํารินึกคิด ที่จะลงมือทําแล้วพอถึงสังกัปะเมื่อไรก็ทํางานทันทีเป็นความนึกคิดที่มีบทบาทมันมีบทบาทตัวนี้แล้วร่วม ก, ก, กับการปรุงกับข้างนอกทีนี้วัจีสังขารเอาอะไรเหตุปัจจัยข้างนอกฉันจะเกี่ยวข้องกับข้างนอกแล้วเอามาใส่กับตัวนี้เข้าไปก็เป็นวัจีสังขารออกมาตั้งแต่เริ่มวัจีกรรมจนกระทั่งถึงกายกรรมออกไปเลยทีนี้ส่วนอัปปนาพยาปนาเจตโสพิโนโรปรนานั้นก็คือาธาต แข็งแรงาธาตุหลักเหมือนกับขั้วบวกขั้วลบของพลังงานพลังงานทางวัตถุขั้วบวกก็คือเนี่แหละอปนาพยาปนาเจตโสพินโนปนาในขั้วบวกเป็นแกนหลักเป็นพลังงานสัตว์ส่วนขั้วลบนั้นเป็นพลังงานเจรณนะเป็นพลังงานจนก็คือสังกัปปะหรือตากาวิตกาสังกัปปะนั่นแหละ มาร่วมทำงานกันนี่แหละเรียกว่าสังขารเป็นพลังงานพลืดแล้วจะทำงานออกไปอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ประกอบให้ฟังบ้างภาพปฏิบัติคุณก็ไปทำค่อยๆเข้าใจอาการอารมณ์ของจิตออจิตจำเป็นอย่างนี้นะมันดําเริ่อย่างนี้แล้วเราก็ยพยายามที่จะปฏิบัติเข้าไปไเรื่อยๆเนี่ยมุทุภูตมุทุภูต ธ, ธาต หรือธาตุของมุทุภูตะนี่ของคุณนี่จะค่อยๆเกิด ค, คือจิตตัวหนึ่งเจตสิกตัวหนึ่งมุทุคือมันอ่อนมันไหวมันเคลื่อนมันเป็นบทบาทมุทุเนี่ยและกามุทุที่เป็นบทบาทอ่อนหรือไหวหรือเคลื่อนที่ง่ายไดย้ไม่แข็งกระด้างไม่ยากมันเป็นตัวที่รู้เร็วดัดก็เร็วปรับก็เร็วคุณฝึกเข้าคุณจะได้ตัวมุทุภูตธาตุนี้ รู้รัวเองก็เร็วรู้กันอื่นก็เร็วมีความแวววไวเป็นสภาพที่เป็นปฏิพาไ์ไหวพริบแหววัและเย็นละออออตมาแปลว่าจิตหัวอ่อนมุทุพุต ธ, ธาตุจิตหัวอ่อนมีทั้งเชิงปัญญาที่รู้เร็วแวววัมีทั้งเชิงที่ปรับตัวมันดัดดัดปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีได้ง่ายเสร็จแล้วมันจะประกอบกับกรรมมุทุพุตธ า, ต, ธธา ต, ธธตุกรรมมุทุพุเตกรรมมณเย ไปกระทํามันจะกระทําเมื่อเราเก่งตัวที่มุทุปุตตธานี่มีจิตแววว้อ่านจิตสังกปะอาจสังกปะได้ดีสังกปะก็จะเอาไปประกอบกรรมกรรมมณยะสังกปะดีเมื่อสัมมาเป็นสังกปะสัมมาสังกปะไปสัมมาดีมันก็จะไปออกมาเป็นวิจีสังขารเป็นกรรมมาสังขารมีกายสังขารเป็นจีสังขารกายสังขารออกมาอย่างดีจนกระทั่งถึงอาชีพก็จะดีไปตาม จะเป็นสมาไปตามเพราะกระต้นเขาของตัวสังกัปปะจึงเป็นตัวประธานในการปฏิบัติปรุงอยู่ที่นี่แหละเพราะฉั้นมุทุพุตตะมุทุภูเตกัมมณิเยเป็นอย่างไรอัตมาขยายความแล้วเพราะฉะ้เขาไปแปลกัมมณียะว่าเหมาะควรแก่การงานมันเหมาะเพราะมุทุพุตตธานมันเป็นตัวสังกัปปะอย่างดีปรับปรุงสังกัปปะให้เป็นสมาสังกัปปะได้ดี และมีทั้งตัวหลักที่แข็งแรงปัญญาคือตัวตากกวิจติกสังกปะเจโตคือตัวอัปปนาพยพนาเจตโสพิเนโรปนาพระเจโตหรือถีเตในชัปปเตนี่มันแข็งแรงคุณมีปัญญาคุณไปฝึกปัญญาจนกระทั่งมันมีตัวเจโตเอาไปฝึกฝนฝึกฝนจนกระทั่งคุณละล้างกิเลสได้ด้วยไปฝึกฝนมีผัสสะมีปัจจัยอะไรคุณดูแลว้วว่าไม่ควรทําอะไรไม่ควรคิดอะไรไม่ควรประกอบคําอะไรทําฝึกฝนกันไปเรื่อยๆ กำลังของเจโตก็จะแข็งแรงแข็งแรงเป็นอเนชาหรือเป็นทีเตเป็นอเนชาปะเตหรือเป็นอัปปนาพยั ป, ปนาเจตโสพินโรปนาไปเรื่อยๆตามลำดับตามลำดับตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหวหรือตั้งมั่นแน่วแน่เป็นจิตปักมั่นเป็นเจเจตโสอพินิโรปนาอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเกิดคุณธรรมของมันเป็นตามลําดับตามลําดับไปนี้จริงๆ ใช้ภาษ า, าเจโตนี้ทางง่านงนส่งมาบอกว่ า, าเจโตนี่เหมาะกับการทานส่วนปัญญาเนี่ยเหมาะกับการงานมันก็ได้ทั้งคู่จะจะว่าไปแล้วถ้าเข้าใจนะไม่มีปัญหาอะไรเจโตนี่เป็นตัวแข็งแรงตั้งมัน่นตัวปัญญาก็เป็นตัวแคล้วคล่องในการงานทุกอย่าง เ, เพราะฉะนั้นถ้ามีสองหลักนี้ทั้งเจโตทั้งปัญญา มีทั้งบวกมีทั้งลบนี่ก็คือบทบาทของคนบทบาทของการงานบทบาทของพฤติกรรมบทบาทของชีวิตบทบาทของความประเสริฐทั้งหมดเลยถ้ามันลงตัวลงร่องล ง, ล ง, ลงช่องเป็นไปใ น, ปนกุศลที่ดีงามแล้วจิตก็สงบดีจิตก็อะไรไม่หวั่นไหวต่ออํานาจกิเลสเอาไว้ต่ออกุศลทั้งหมดทั้งมวลในโลกไม่ถูกกระทบไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณนี่เป็นตัวประธานสิ่งทั้งพวงมโนปุพังขมาธรมมา มโนเสรษฐาเศรษฐาหรือเศรษโถหรเศรษฐกิจที่เขาเอามาใช้ในสเป๊ว่าประเสริฐความประเสริฐรวมอยู่ในมโนเสรฐาอ่ามันจะเจริญจิตจะเจริญมโนมยาจะสําเร็จได้ด้วยมโนเป็นประธานมโนปุพังมโนนี่มาก่อนมโนปุพังคมาธรรมาเป็นธรรมะอันเลิศมาก่อนมโนเศรษฐาแล้วจะประเสริฐจะปผสมผลสําเร็จมโนมยาก็เพราะจิตเป็นประธานนี่แหละ <Yeah. S 2> เพราะจิตนี่แ่ะเป็นประธานเพราะเรามาเรียนรู้ธรรมะมาเรียนรู้ชีวิตเราก็จะต้องเรียนรู้จิตปัญญาเรียนรู้กรรมกิริยาโดยเฉพาะจะต้องอ่านจิตออกอ่านอารมณ์ตัวเองออกวิจัยจิตตัวเองออกอาตมาพูดเมื่อกี้นี่ค้างนิดนึงว่าธรรมวิจัยธรรมวิจัยของโลกโลกเาวิจัยอะไ ร, ะ ไ, รไปต่างๆนานาโลกียากวิจัยอะไรกันเยอะแยะต่างกับธรรมวิจัยสัมโพธชง ทรรวิจัยธรรมาก็แบ่งเป็น3มเหมือนกันหนึ่งธรมวิจัยธรรมดาสามัญวิจัยไปเลยวิจัยอะไรตอะไรต่างๆนานาวิจัยโจรก็วิจัยเรื่องของโจรวิจัยยังไงจะปล้นได้ดีวิจัยว่าถเกอะว่าจะไปเจาะธนาคารเขาจะเจาะอย่างไรอะไรต่างๆนานาพวกนี้เขาก็วิจัยเข้าไปโจรก็มีธรรมวิจัยของเขาไอ้แบบนี้ทําไปหรือแม่แต่นักการเมืองแม่แต่นักบริหารก็วิจัยไปว่าเออเราทำยังไงเราจะรวยราบรวยยศรวยสันเสริญ เป็นโลกีเขาก็วิจัยไปเออทาอย่างนี้นะจะรวยราบรวยยศรวยสันเสริญจะได้เปรียบดีจะได้อะไรไรเขาทําไปผิดถูกเขาไม่รู้เรื่องนี่เลยว่าทำมาวิจัยทั่วไปหรือจะวิจัยละเอียดไปก็ตั้งถึงได้ปรมัมมโูได้ออกไปนอกโลกอะไรก็วิจัยไปเถอะวิจัยวัตถุวิจัยมนุษยชาติวิจัยอะไรก็ตามใจ น, นั่นนะทำวิจัยทั่วไปส่วนทำมาวิจัยกาลยาในชนจะมีคุณธรรมเข้าไปประกอบ วิจัยไปวิจัยกรรมกริยาวิจัยมนุษย์วิจัยเหตุเกิดวิจัยสังคมวิจัยอะไรต่อะไรเพื่อที่จะสร้างสรรค์เพื่อที่จะเป็นประโยชน์เพื่อที่จะเป็นคุณค่าขึ้นมาตามธรรมดาสามัญเรีว่าธรรมวิจัยกัลยาณชนวิจัยกันได้วิจัยอะไรก็วิจัยไปวิจัยแล้วก็มีคุณธรรมมีคุณค่าคุณประโยชน์เท่าที่ตัวเองมีภูมิทําไปได้ส่วนธรรมวิจัยสัมโพธชงนั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องปรมัตมมีความรู้ในเรื่องโลภุตระ เราจะทําอย่างไรจึงบรามาตัตหมายความรู้จิตเจตสิกรูปนิพานอ่านจิตเจตสิกรูปนิพานออกรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพานเป็นอย่างไรแล้วก็ทําตนเองให้ตัวเองพัฒนาขึ้นสู่โล ก, กุตรภูมิเป็นอริยะเป็นโสดาสกิธานาคาขึ้นให้ได้ทําำวิจัยตัวนี้คือความรู้ความวิจัยสามารถ วิจัยจนกระทั่งเรานี่แหละรู้และทำได้จนทำให้ตัวเราเนี่ยอง ร, รมวิจัยของเราเนี่ยที่อยู่ในสมาธิที่เป็นองค์หกอะทวิจัยสัมโพชฌงค์องค์นี้ทำให้เราวิจัยตัวเราวิจัยพฤติกรรมของเราโดยเฉพาะจิตเจแลสิกธ์ของเราเนี่ยจนกระทั่งมันสามารถทำให้เราพัฒนาขึ้นได้จเจริญเป็นสู่ความตัดสุรู้นิพพานโพชงแปลว่าความตัดสรู้สู่ความตัดสรู้ ถ้าการวิจัยนี้มีคุณภาพอย่างนี้จึงเรียกทำวิจัยนี้ว่าธ ร, รมวิจัยสมโพธชนถ้าวิจัยแค่มีคุณงามความดีเท่านั้นยังไม่สามารถทําให้เรามีมรรคมีผลทาให้เราเดินทางเข้าไปสู่นิพพานยังไม่ได้ทํำวิจัยนั้นยังไม่ใช่ทําวิจัยสำโพธชนยังมีคุณภาพแค่ทําวิจัยกระยานนชนยิ่งทําวิจัยบา้บาบา่อมีบาบก็ไม่รู้บุญก็ไม่รู้เละเทะไปเลยไอ้โจรมันก็วิจัยอะไรก็วิจัยอย่างที่ว่านั่นนะแม้แต่นักบริหารนักธุรกิจอะไรเนี่ย โอ้ยวิจัยอะไรแต่ใดจ้างการวิจัยยังไงมันจะได้เปรียบแล้วก็หาทางเอาเปรียบได้โอ้โหร่ำรวยมหาศาลเอาเปรียบเอารัดเข้าด้บ้านด้เมืองไอวิจัยอย่างนั้นวิจัยเละๆวิจัยมีบาปไม่รู้บาปไม่รู้บุญแล้วก็วิจัยกันทั่วโลกนะใช่ไหมวิจัยกันมหาศาลเลยวิจัยโนวิจัยนี่นะนั้นวิจัยบ้าๆบอวิจัยด้วยกิเลสเป็นอำนาจถ้ายังมีสํานึกบ้างมีคุณธรรมบ้างวิจัยแล้วก็ไปทําในสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีหยุดสิ่งไม่ดีเลิก แล้วก็พยายามวิจัยสร้างสารรค์สิ่งดีอย่างนี้ยังเรียกว่าทรมวิจัยกลยการชนบ้างหรือแม้จะนักปฏิบัติธรรมที่วิจัยจิตใจออกเหมือนกันวิจัยกรรมกริยาออกเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นทําให้เกิดบรรลุปเป็นอริยชนโลกุตระไม่สามารถทําให้เกิดไปสู่นิพพานได้ไม่มีมรรคผลแบบพุทธไม่มีมรรคผลที่ทําให้จิตวิ ญ, ญญาณพัฒนาขึ้นไปจริงจริงเลยเป็นโซโดาสกิธานาคาได้จริงๆทํามีวิจัยของนักปฏิบัติธรรมแม้แต่ในพุทธศาสนาเองก็ตาม ทำวิจัยนั้นยังไม่ถึงสัมโพธชงยังได้แค่ทำรรวิจัยกล ย, ยานชนกลยานธรรมเท่านั้นเองแต่ถ้าวิจัยไปถึงสัมโพธชงได้ก็ดังที่อาตมากล่าวแล้วนี่เป็นความรู้อันสุดท้ายที่เทศวันนี้ที่ให้พวกเราเข้าใจทำรรวิจัยเป็นตัวบทบาทสําคัญในสังกปะเป็นหน่วยสําคัญมากเลยปัญญาปัญญีสีปัญญาผลทำวิจัยสัมโพธชงสมาธิิมัคคังคะทำวิจัยสัมโพธชงเป็นตัวสําคัญมากถ้าวิจัยไม่ออกวิจัยอะไรไม่จริงคุณเป็นนิพพานไม่ได้ ถ้าไม่ปัญญาปัญญสีปัญญาผลไม่เกิดสมบูรณ์ <c oughs> เพราะงั้นมรรคไม่เจริญเต็มวิมุตยานวิมุตสองไม่เกิดมรรคแปดไม่เต็มญานผลสองคือสมาญานสมาวิมุติก็ไม่เกิดสมาสมามรรคทั้งแปดก็ไม่เต็มอ้าเอาละอาตมาเทศมาจนถึงห้าโมงสาสิบนาทีแล้วก็ขอย้ำว่าเมืองไทยเราจะเรืองอำนาจเพราะเป็นชาติกระสิกรรมนั้น ต้องสร้างทั้งกายทั้งใจวันนี้ติดอาวุธไปแล้วไปบ้านจะต้องปลูกข้าวถั่วงาช่วยพื้นดินกระตัญยูต่อแผ่นดินสร้างเมืองไทยให้เป็นเมืองอันนี้ได้ต้องทต้องตื่นตัวต้องทำเพื่อที่จะไม่ให้ทางยวนจีนมาถล่มแล้วถ้าไม่ฉช่นั้นไปไม่รอดจริงๆริ แล้วทำไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปถล่มทลายเขาเราจะทำเพื่อป้องกันตัวเราเองทำเพื่อตัวเราเองจะได้พึ่งตนเองและจะได้เกื้อกูลคนอื่นได้ไม่ใช่เราเองเนี่ยแบ ม, มือต้องเป็นค่าทาตต้องอาศัยน้ำใต้ศอกเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นหรืออยากเหรอไม่อยากต้องตื่นตัวและต้องลงมือพลิกฟื้นตื่นตัว ต้องสร้างสรรค์กันตั้งแต่บัดนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปพระมาณมาวันนี้มางานนี้มาคราวนี้กลับจากงานนี้แล้วขอให้มีพลังอันแข็งแรงทั้งปัญญาและเจโตทัว่วทั่วทุกคนแล้วไปเจริญเจริญเจริญแอนเจริญสร้างธรรม อะไรทั่วแวนแดนไทเราไทยเราหวานมางวงมาคางมากรามากลางพืชผลต่างๆล้วนงามระดาในนา